เอเตนะสัจจวัตเชนาโหตุเตชยมังคารังนาทิเมสรนางอันยังธรรมโมเมสารนางวรังเอเตนะสัจจวัตเชนาโหตุเตชยมังคารังนาทิเมสรนางอันยัง สังโฆเมสารนังวรังเหตนณสัจวัตเชนาโหตุเตชยมังขรังที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสาระอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความเจริญความสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลาย ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นจรณะอันประเสริฐสูงสุดของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีภาริยสงเป็นจรณะอันประเสริฐสูงสุดของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายขอมโหทนากา กับญาติโยมทั้งหลายที่ได้ตั้งใจในการมาประพฤติปฏิบัติกันเกิในวันนี้ก็ได้เป็นวันที่สองเราได้มาศึกษาและก็มาประพฤติปฏิบัติกันทีนี้ประเด็นที่อยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ทําความเข้าใจก็คือว่า เราเนี่ยมีจุดหมายในการที่จะมาประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรในทางพระศาสนาพระพุทธเจ้ามองจุดหมายไว้สระดับจุดหมายในระดับที่บอกว่าที่จะนำพาชีวิตของเรานั้นให้ถึงจุดหมายได้เนี่ยในระดับแรกๆเนี่ยเขาเรียกว่าจุดหมายที่ตาเห็นได้หรือประโยชน์ในปัจจุบันในระดับแรก ระดับที่สองก็เรียกว่าจุดหมายที่เลยตาเห็นก็หมายถึงประโยชน์เบื้องหน้าในระดับที่สามเขาเรียกว่าจุดหมายสูงสุดหรือประโยชน์อย่างยิ่งทีนี้เราก็มาพิจารณาดูในระดับของจุดหมายที่ตาเห็นได้เนี่ยถ้าสรุปในคําสอนที่ท่านเรียกว่าทิฏฐธรรมิกถะก็คือจุดหมายที่ตาเห็นหรือประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยอันดับแรกเลยจริงๆเนี่ย ถ้าสรุปในคำสอนที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เกี่ยวกับในเรื่องของการมีสุขภาพมีร่างกายแข็งแรงไร้โรคและก็อายุยืนอันนี้คือจุดหมายที่ตาเห็นได้เราก็มาดองดูกระแสะชีวิตของแต่ละท่า น, นนะา เ, ออเนี่ยนะว่าเออเนี่ยสุขภาพเราเป็นยังไงร่างกายเป็นอย่างไรแข็งแรงดีไหมมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบีย น, รยนหรือไม่ทีนี้อายุเนี่ยนะอายุยืนหรือไม่อย่างที่พระที่ท่านให้พรกันเนี่ย คำว่าอายุวันโนสุขังและพลังเนี่ยอายุจริงๆเนี่ยถ้าตามความหมายจริงๆเขาเรียกเขาเรียกว่าพลังพลังหล่อเลี้ยงชีวิตหรือพลังหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตอายุมากกับอายุน้อยเนี่ยยอมว่าอะไรดีกว่ากันเวลาพระท่านให้พรพระท่านบอกว่าอภิวาทานาสีลิสะ นิจังอุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพลังก็คือว่าพระบอกว่าให้เรามีอายุมากหรืออายุน้อยอายุมากหรือน้อยพวกเรานี่ชอบอายุมากหรือชอบอายุน้อยใครชอบอายุมากใครชอบอายุน้อยโอ้ชอบอายุ จริงเนี่ยอายุในภาษาไทยกับภาษาบาลีในเดยมากมันจะต่างกันในภาษาไทยเราเนี่ยคาว่าอายุมากก็แปลว่าคนอยู่มานานแล้วอายุมากแล้วใช่ไหมเรียกอายุมากแต่อายุในภาษาของพระเนี่ยท่านแปลว่าพลังหล่อเลี้ยงชีวิตบางคนมีอายุมากแต่มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตน้อยบางคนอายุน้อยแต่มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตมาก พลังในที่นั้นเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของฉันทะเป็นชื่อของอิทธิบาทด้วยคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์เนี่ยเช่นความรักความใฝ่ใจอย่างแรงกล้าเอาจิตทนตนเองไปรักเช่นรักในพระรัธนตรัยเงี้ยมีความรักในพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้ามีความรักในพระธรรมอย่างแรงกล้ามีความรักในภา ร, ริยสงอย่างแรงกล้ามีจิตใจที่ใฝ่ รู้ไฝ่ศึกษาไฝ่สร้างสรรค์มีความรากักความปรารถนาดีในการที่จะนำเนินชีวิตของตนเองให้ไปถึงจุดหมายนั้นเช่นต้องการที่จะให้กระแสชีวิตของตนเองนั้นเน่เข้าถึงความพ้นทุกข์สมมตินเน่นก็มีความรักอย่างแรงกล้าถ้าคนโบราณเนี่ยเขาจะเอาใจต น, นเองไปรักไว้บางคนอยากจะสร้างพระเจดีบางคนอยากจะสร้างพุทธรูปบางคนก็อยากจะ ทำสิ่งดีๆทั้งหลายให้กับโลกใบนี้ก่อนถ้ายังทำไม่เสร็จตนเองยังตายไม่ได้ไอ้จิตที่ไปผูกพันกับเรื่องเหล่านี้อยู่ที่มีความรักอย่างแรงกล้าที่จะทำประโยชน์เนี่ยไอ้ความรักตรงเนี้เขาเรียกพลังโยมมีตัวนี้กันไหมไม่ใช่อยู่แล้วท้อหดหูท้อถอยงอยเหงาเศร้าซึมไม่อยากอยู่อยากจะตายเบื่อลูกเบื่อหลานเนี่ย อันนี้มาไปดูผู้มาปฏิบัติธรรมในครั้งเนี้ตั้งแต่อายุหกสิบไปมีเยอะก็เลยอยากจะบอกว่าอยากให้พวกเรามีพลังตัวนี้ยพลังหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยให้มากก็คือมีฉันท่ามีความรักอย่างแรงกล้าในการที่จะทำจิตตนเองนั้ น, นผูกพันกับความดีไว้ใฝ่ใจกับความดีเขาไว้ สก็คือมีความเพียนเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนฟังมาก็ฟังพร ะ, ะท่านอาจารย์มีชายพูดเรื่องความเพียนในการที่จะเจริญกรรมาฐานนี่แหละวีระเท่นี้ก็แปลว่าแกล้วกล้าก็ได้แปลว่าแปลว่ากล้าฉะนั้นความเพียนวิริยะเนี่ยเขาเรียกเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวแกล้วกล้าอาถานไม่ท้อต่ออุปสรรค ยอมเป็นไหมยอมกลัวอุปสรรคกันไหมล่ะเช่นนั่งนานก็ท้อเดินนานก็ท้อยืนนานก็ท้อเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้เขาเรียกคนไม่มีวิริยะธาตุไม่มีอารัปธาตุไม่มีนิกกรมธาตุไม่มีปรกรรมธาตุไม่มีอรัปธาตุก็คือไม่มีความไม่มีจิตลิเริ่มที่จะดําริปารบความเพียรที่จะออกจากความเกียจค้านออกจากความหลับไหลออกจากความหดหู่ ไม่มีนิกรมาธาตุก็คือจริงๆไอ้คำว่านิกรมาธาตุก็แปลว่าออกนี่ออกจากความขดขู่ท้อถอยถ้าอรรถธาตุก็คือป่ารบบางคนเนี่ยไม่คิดที่จะเพียรไม่คิดที่จะเกล้ากล้าไม่คิดที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคก็ท้อจิตใจก็ถอยเป็นไหมแบบนี้เป็นไหมถ้ายิ่งเจออุปสรรค ยิ่งเจอปัญหายิ่งเจอสิ่งที่มารบกวนกระทบกระทั่งยิ่งมีความอาถรรพ์เห็นปัญหาและอุปสรรคในเป็นเวทีทดสอบความสามารถ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนี้ชัดเลยว่าเอาละฉันจะนั่งฉันจะเจริญกรรมาฐานฉันจะมาพิสปฏิบัติฉันไม่กลัวหรอก่ไหมไม่กลัวปรารบความเพียร น, นั้นถ้าฉันเจอปัญหาเช่นปวดขาปวดเขา่าเมื่อยฉันก็จะไม่กลัว ฉันจะไม่ท้อเกิดความหดถู่ท้อถอยฉันก็ย่อไม่ถอยใช่ไหมฉันจะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้แล้วก็นี่คลักนิกกรรมาาธาตุก็คือกล้านะมีความกล้าที่จะออกออกจากความเกียดค้านออกจากความโหดถูท้อถอยเป็นต้นส่วนประกรรมาาธาตุนี่ท่านหมายถึงความเป็นาธาตุที่เกี่ยวกับในเรื่องของความเพียรเข้าสู่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป เอาละแต่นี้ก็คือว่าจุดหมายอันแรกที่พูดถึงพูดถึงในเรื่องของว่าหนึ่งเราต้องมีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตหนึ่งมีกำลังของฉันท้าอย่างแรงกล้ามีความรากักความใฝ่ใจอย่างแรงกล้าทำไมเราต้องมาเพียรปฏิบัติเพราะเราเห็นว่าจุดหมายจุดมุ่งหมายมันมันประเสริฐที่สุดเออทำไมเราต้องมาเพียรเพราะเราเห็นโทษของความเกลียดค้านเห็นโทษของสังสารวัฏ และอย่างหนึ่งก็คือว่าเข้าใจคําว่าจิตตาไหมคําว่าจิตจดจอ่อเนี่ยจิตจดจอ่อในที่นั้นก็แปล อ, อุทิศกายและอุทิศใจคือทุ่มเทเต็มที่ไม่เห็นแก่นอนไม่เห็นแก่กินบางคนที่มีจิตตะอย่างแรงกล้าเนี่ยเขาไม่รู้ไหมก็ตอนนี้เป็นกลางวันหรือกลางคืนเลยนะเคยเห็นหนักวิทยาศาสตร์บางคนไหมเวลาเขาไปวิจัยอะไรเนี่ย ผมเขาก็ไม่ดูแลเลยนะเสื้อผ้าเขาก็ไม่ดูแลแล้วจิตเขาก็จดจ่ออยู่กับงานวิจัยของเขาเนั่นแหละเออเวลาเราจเจริญกรรมาฐานกันน่มันขนาดนั้นไหล่ะ <c oughs> จิตมันก็จดจ่ออยู่กับการกำหนดอยู่กับการคัพิจารณาอยู่นั่นแหละไม่สนใจเรื่องอื่นไม่สนใจว่าร่างกายจะเป็นยังไงไม่สนใจว่าเวลานี้เป็นเวลากี่โมงกี่ยามเนี่ยจิตจดจอ่ออุทิศกายและอุทิศใจอย่างนี้ ในกรณีการทําความดีทุกอย่างก็เหมือนกันประการสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของวิมังษาเรื่องของปัญญาคือรู้จักว่าอะไรที่จะเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้สุขภาพเราเสียเราก็ถอดองค์ประกอบนั้นอะไรที่ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้สุขภาพเราดีอย่างนี้เป็นต้นอันดับแรกพระเจ้าถึงพูดถึงในเรื่องของจุดหมายในปัจจุบันเนี่ยพูดถึงในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงมีร่างกายไรโรคอายุยืนเป็นต้นนั้นอายุจริงๆเนี่ยนะ แปลว่าพลังมีพลังตัวนี้ไหมถ้าไม่มีพลังเนี่ยห ล, อล่เ seja, frank, ER หลอเลี้ยงชีวิตเขาเรียกว่าถึงแม้อายุมากก็มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตต่ําหรือน้อยอย่างเงี้ยสักแต่ว่าอยู่ไปวันๆไม่มีพลังไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความอาถรรพ์ไม่มีความล่าเริงก็อยากให้พวกเราทั้งหลายมีพลังตัวเนี้ยหล่อเลี้ยงชีวิตถึงแมอ Så, ้อายุจะมากแต่เราถึงแม้อายุเราจะมามากร่วงการผ่านวัยมามากแต่ก็เป็นคนที่มีพลังตัวนี้มาก ถึงแม้เราจะอายุน้อยแต่เราก็มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตเราเยอะเรามากอย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาก็คือถ้าจุดหมายในปัจจุบันเนี่ยอย่างพวกเราทั้งหลายที่อายุมากๆก็ล่วงการผ่านวัยกันมามากก็มีเงินมีทองมีอาชีพสุจริศพึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจอันนี้ไม่มีเวรานะประการที่สามก็คือมีสถานภาพดีทับเทียมกับคนอื่นได้เป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมนี่พระเจ้าสอนว่าหลักการพวกเนี้ย แล้วก็มีความรักคือครอบครัวยมที่มันอยู่กันที่เนี่ยครอบครัวผาสุขดีไหมดีไม่ดีอยู่สามีภรรยาลูกเต้าทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไหนเนี้ยผาสุขอันนี้เป็นการจัดสรรในชีวิตที่ตาเห็นได้นะตลอดถึงว่าพึ่งถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าถ้าในหลักการจริงๆท่านจะพูดถึงประโยชน์ในปัจจุบันก็คือขยัน มั่นเพียรมีเพื่อนที่ดีมีกัญยาณมิตรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการวางตนที่เหมาะสมเอาต่อไปไปดูประโยชน์ที่มันเลยนะประโยชน์ที่เลยตาเห็นถ้าประโยชน์ที่เลยตาเห็นจริงๆท่านพูดถึงความอบอุ่มซาบซึ้งใจก็คือพูดถึงในเรื่องของศรัทธาถามดูศรัทธาเราแข็งแรงไหม ความเชื่อมั่นเมื่อวานนี้พูดถึงในเรื่องของคําว่าตถาคตโพธิสัต t h เชื่อมั่นปัญญาตัศลุของพระตถาคตมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่ามีมนุษย์หรือระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสามารถฝึกฝนตนเองทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพ่บูรยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดจริงๆพระพุทธเจ้าสามารถทําโพธิคือปัญญาเครื่องตัศลุสัมโพธิเนี่ย ปัญญาเครื่องตัสรุปสามารถแทงตลอดสัจจะสีได้เราเชื่อมั่นไหมว่ามีมนุษย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบของโลกใบเนี้ยเป็นอุดมบุรุษเป็นบุรุษที่สูงสุดที่สุดในโลกท่านสามารถฝึกฝนเพียรพยายามในการบำเพ็ญบารมีและมาในปัจจุบันภนี้ท่านสามารถทําปัญญาที่สัมโพธิเนี่ยให้เกิดขึ้นได้และปัญญาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในกระแสะชีวิตของท่านสามารถแทงตลอดทุกข์สมุทัยนิโรธมาก จนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไอความเชื่อมั่นตรงนี้มีไหมมีไม่มีนั้นความเชื่อมั่นตรงนี้แหละเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นปัญญาว่ามนุษย์สามารถทาปัญญาให้เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะปัญญาที่เป็นโลกุตละปัญญาแทงตลอดสัจจะสีให้เกิดขึ้นได้ด้วยความเพียรพยายามของมนุษย์เองเชื่อไม่เชื่อเมื่อพระพุทธเจ้าสามารถแทงตลอดอริยสัจจะธรรมทั้งสี่ทำสัมโพธิ ทำปัญญาระดับสัมโพธิให้เกิดขึ้นมาแทงตลอดสัจจะสี 4, ได้ตัสรู้ได้ด้วยตนเองโดยชอบแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าแทงตลอดทุกสมุ ท, ทัยนิโรธมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยการรู้สัจธรรมตามความเป็นจริงเขารือรู้อะไรเนี่ยปัญญาเข้าไปรู้ธรรมะรู้กฎความจริงธรรมชาติเอาเมื่อไปรู้กฎความจริงตรงนั้นแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็นําปัญญาระดับที่สัมโพธินี่แหละระดับสัพพัญญตญาณี่แหละ ก็เอามาเปิดเผยมาบอกกล่าวมาแนะนําแนะนําใครแนะนําประช า, าสัตว์หรือเวนิยชนให้ปฏิบัติตามให้มาศึกษาปฏิบัติตามและในที่สุดจริงๆอ่ะมนุษย์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นก็พากันรู้แจ้งเห็นจริงตามพระพุทธเจา้าสรุปแล้วเนี่ยจากศรัทธาหนึ่งใช่ไหมศรัทธาหนึ่งคือศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาก็เพิ่มมาศรัทธาพระธรรมได้ไหม สถาพสง์ได้วยไหมจากหนึ่งมาเป็นเท่าไหร่สามสามนี่เขาเรียกว่ารัตนตยัตติสัทธาคือสัทธาในพระรัตนตรยัยเอาเมือเมื่อเราสัทธาในพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อนั่นในใ น, ในพระริยสง์เรารู้ไหมพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในพระเจ้าต้องการต้องการอะไรพระพุทธเจ้าต้องการอะไร พระเจ้าต้องการอยากจะให้บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนะสัตว์โลกทั้งหลายที่มีกิเลสและกองทุกเนี่ยลุมเล้าอยู่พระเจ้าต้องการให้สัตว์โลกเหล่านี้พ้นหรือสามารถกําจัดกิเลสและกําจัดกองทุกได้เข้าถึงบรมสุขที่แท้จริงเข้าใจอย่างนี่คือจุดหมายที่พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมา แล้วพระเจ้าก็มองว่าประชาชนหรือบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายเหล่านี้ที่ยังเป็นอยู่ด้วยกิเลสมรุมเล้าอยู่เนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เป็นสัตว์ที่จะต้องเกลือกกล้วกับกิเลสแล้วก็เกลือกกล้วกกองทุกเดือดร้อนเนี่ยฉะนั้นถ้าหากบรรดาสังคมนะประชาสัตว์ที่เป็นไปกับการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกรรมพูดเท็จส่อเสียดคําหยาเพื่อเจื่อและมีของมึนเมา เข้าสู่กระแสชีวิตเนี่ยเนี่ยประชาศาตว์ถ้าเป็นไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอนาระยะเป็นสังคมที่เป็นอนารยชนเป็นสังคมที่ไม่เจริญจริง mm hmm. พระเจ้าจึงบอกไงบอกว่าเอาแล้วเมื่อพระเจ้าแทงตลอดสัจจะสี่พระเจ้าก็มาวางระเบียบแบบแผนเขาเรียกว่าตั้งระบบขึ้นมาใหม่เป็นระบบการจัดตั้งเขาเรียกวิยัยพระเจ้าก็มาวางวิในให้ แล้วก็เชิญชวนว่าบรรดาประชาสัตว์ทั้งหลายที่อยากจะฝึกตนเองจากปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยะต้องการอยากจะออกจากความเป็นอนาฬยะเข้าสู่ความเป็นอริยชนที่แท้จริงอ่ะให้เดินตามระบบที่พระองค์จัดตั้งนี้เขาเรียกวินัยวินัยเป็นระบบจัดตั้งขึ้นพระพุทธเจ้าใช้อะไรมาจัดตั้งใช้ปัญญาระดับสัมมาสัมโพธินั่นแหละ ใช้ปัญญาระดับโพธิปัญญาที่ทรงทางตลอดสัจจะสีแล้วนี่แหละเอาปัญญาระดับนี้แหละมาวางระบบวางระเบียบวางแบบแผนแล้วก็เชิญชวนพวกเราว่าให้มาสู่ระบบแบบแผนนี้แบบแผนอะไรแบบแผนของสังคมที่เป็นอนารยาของพระอริยชนเขาว่าอริยเขาเนี่ยเขาเป็นอยู่กันอย่างนี้เขาเป็นอยู่ยังไงหนึ่งเขาฆ่ากันไหมสังคมของอริยเขาฆ่ากันหรือไม่ฆ่ากัน เขาไม่ฆ่ากันเขาไม่เบียดเบียนกันเขาไม่บัตุสลายกันสังคมของอนาฬยาเนี่ยเขารักทรัพย์กันไหมเขาทุจริตคอร์รัปชันช่อลาบบังหลวงไหมเขาไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันไม่ช่อลาบบังหลวงสังคมของอนาฬยะเนี่ยเขาภาคคู่ครองกันไหมเขาไม่ได้ภาคคู่ครองกันสังคมของอารยะเนี่ยเขาพูดเท็จไหมพูดส่อเสียดคำหยาเพ้อเจ้อไหมล่ะ สังคมของอารยาเนี่เขาไม่ดื่มโซดาและเมลัยเป็นต้นพระเจ้าจก็มาวางระเบียบวินัยขึ้นมาเพื่อให้พวกเราทั้งหลายเห็นว่าเออเราควรเปลี่ยนสังคมกันเนี่ยที่เรามาอยู่กันเนี่ยร้อยกว่าชีวิตเนี่ยที่เรามาอยู่กันนี่เราคิดที่จะมาเบียดเบียนกันวะคิดจะมาฆ่ากันไหมคิดจะมาลักทรัพย์หรือเปล่าคิดจะมาประพฤติผิดในการมไหมคิดจะมาโกหกกันคิดจะมาพูดให้แตกแยกกัน คิดจะมาพูดคำหยาบต่อกันหรือคิดจะมาพูดเรื่องไร้สาระหรือเพอเจอร์คิดว่ามานี้จะได้มาดื่มน้ำเมาคิดอย่างนี้หรือว่าเราไม่ได้คิดอย่างนี้นี่เรามาฝึกเนยเนี่ยฝึกเดินตามแบบอย่างของอารยาชนหรือแบบอย่างของอริยชนอริยชนเขาเป็นอยู่กันอย่างนี้ฉะนั้นเราก็เข้ามาอยู่ในระบบจัดตั้งวินัยเนี่ยก็เรียกจัดตั้งระบบการจัดตั้งเป็นกฎสมมติ ท่พระเจ้าเราใช้ระบบจัดตั้งเนี่ยเมื่อเราเข้ามาอยู่ในวินัยมาเดินตามวินัยก็มาฝึกแล้วเธเนี้ยมาฝึกเพื่อให้มีศีลมาฝึกเพื่อให้เกิดสมาธิมาฝึกเพื่อให้เกิดปัญญาถามว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสภาวธรรมที่เป็นกฎสมมุติหรือกฎความจริงอศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยศีลอยู่ในองค์มรรคหรือเปล่าสมาวาจาสมากรรมตัสมาชีวาเป็นศีลใช่ไหม สัมมาวยมายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นสมาธิสมาธิทิฐิและสมาสังกบะเป็นปัญญาฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสภาวะเป็นกฎความจริงเป็นสภาวธรรมแต่ถ้าเราไม่มาอยู่ในระบบจัดตั้งมาอยู่ในระเบียบแบบแผนกติกาเหล่านี้มันจะมาฝึกศีลสมาธิปัญญาให้เกิดยากพระเจ้าก็เลยวางระบบจัดตั้งขึ้นมา ก็คือให้ทุกคนมาอยู่ในระเบียบแบบแผนแบบนี้จะได้เอื้อต่อการที่จะฝึกตัวเองได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถเอาพวกเราที่มากันนี้เราพร้อมหรือยังเนี่ยมีความพร้อมสูงไหมสูงไม่สูงพร้อมไหมพร้อมที่จะมาฝึกศีลให้เกิดฝึกสมาธิให้เกิดฝึกปัญญาให้เกิดพร้อมหรือเปล่าพร้อมกี่เปอร์เซน็นต์ หรือมาแบบเล่นๆมาแบบตามพวกหรือมาไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละหรือตั้งใจจริงฉะนั้นมาจากเจตจำนงหรือความจงใจความตั้งใจจริงที่จะมาฝึกตนเองตนเองให้เต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถเมื่อวานพูดเรื่องการฝึกที่จะทำให้ศีลเกิดอาจจะพูดสั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดเยอะมันลงยากเหมือนกันนะเรื่องรายละเอียดเนี่ย ฝึกที่จะทำให้ศีลเกิดฝึกที่จะทำให้สมาธิเกิดใช่หมเมื่อตอนคืนเนี่ยพระท่านมาพูดเรื่องการฝึกที่จะทำให้สมาธิเกิดแล้วก็บอกวิธีการนั่งบอกวิธีการกำหนดว่าเออการปฏิบัติเนี่ยพอบอกปฏิบัติแล้วแนตะ่บางทีเราก็ไปเกร็งทำกันขึ้นมาเลยความอยากจะให้สมาธิมันเกิดเนี่ยทำไปทำมามันก็ไม่เกิดสักทีใช่ไหมไปไปมาพระท่านก็นเลยบอกว่าเอา้า ให้นั่งแบบเหมือนไม่ไม่ได้สําคัญว่าตนเองมาปฏิบัติบางท่านก็บอกว่าเหมือนเราไปนั่งพักผ่อนเนี่ยเหมือนไปนั่งอยู่ชายทะเลหรือตามป่าเขาสบายเงี้ยเออหลายๆคนก็บอกเอนั่งแบบนี้จะไปเรียกว่าปฏิบัติได้ยังไงนั่งปฏิบัติมันต้องทําจริงทําจังใช่ไหมเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมมันจะต้องเอาจริงเอาจังหน้าดําคําเครียดอย่างนั้นใช่ไหมแท้ที่จริงมันคือว่า ไอตัวสภาวะคือกลุ่มสมาธิเนี่ยสมาธิมีสามตัวใช่ไหมหนึ่งสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสองสัมมาสติคือความระลึกชอบสามคือสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นชอบถามว่าอาณาปานาสตินี่ยเขาเจริญอะไรอาณาปนาสติสมาธิเขาเจริญอะไรมาเจริญอะไรอ่ะ อาเขาเจริญลมหรือเจริญสติลําเขามาเจริญลมหรือมาเจริญสติเอออาณาปานสติเขามาเจริญสติไม่เรียกมาเจริญลมลมมันมีอยู่ั้มมันมีอยู่แล้วแต่บางคนพอมานั่งเจริญอาณาปานสติหายใจผิดปกติทุกทีเลยอันนี้แปลว่ามาเจริญอะไรเจริญลมไม่ต้องไปเจริญลมมันมีอยู่ไ้ย เพราะปกติแล้วก็หายใจแบบนี้แหละแต่พอ ท, ทําที่ทำท่าเอาให้นั่งเจริญกรรมาฐานโอ้โหจะหายใจผิดปกติขึ้นมาเลยเคยเป็นแบบนี้ไหมรู้สึกฉันจะต้องหายใจให้มันยาวให้มันสั้นอะไรก็ไม่รู้อันนี้เขาเรียกเจริญอะไรจริงๆเราต้องมาเจริญอะไรสติกับลมเนี่ยต่างกันไหมลมเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมจะไปให้เป็นกายานุปัสนาอยู่ในหมวดกาย สติเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเป็นนามธรรมสติมันคืออะไรเนี่ยพอพูดถึงสติพูดกันจ้างพูดสติเนี่ยบางคนก็บอกเอ้าสติออยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเราพูดสติเขาแปลว่าอะไรนะระลึกในขณะที่เราดูลมเข้าและลมออกเนี่ยเราต้องระลึกบ่อยๆไหมต้องระลึกว่าหายใจเข้าใช่ไหม แลระลึกว่าขณะนี้หายใจเข้าระลึกว่าขณะนี้หายใจออกใช่ไหมทําไมต้องระลึกบ่อยๆทําไมต้องระลึกบ่อยๆถ้าไม่เอาสติมากํากับระลึกบ่อยๆจิตมันจะไปเรื่องอะไรมันจะไปทั่วเลยใช่ไหมจะไปเรื่องอื่นไปทั่วเลยถามว่าใหม่ๆต้องเพียรในการที่จะประคองเพียรประคองสติเพียรพยายามที่จะทําให้สตินี่เกิดเพราะตอนนี้สมาธิเราเกิดได้ยัง เกิดไหมยังไม่เกิดต้องเอาอะไรเป็นตัวให้เกิดก่อนเออต้องเพียรพยายามประคองสตินี่แหละเมื่อสติระลึกกับเรื่องใดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วเนี่ยที่สุดจริงๆสมาธิจะตามมาไหมจะตามมาเพราะเหตุผลเราไม่ระลึกเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้บ่อยนี่แหละสติมันก็เลยเ อ, อสมาธิก็เลยไม่แนบแน่นกับเรื่องนั้นสรุปแล้วก็คือเรามาเจริญสติแล้วต่อมาสติก็จะได้เป็นปัจจัยต่อ สมาธิใช่เมื่อสตินี้มีการมีกำลังมากขึ้นระลึกได้อย่างติดต่อและต่อเนื่องมากขึ้นที่สุดจริงๆสมาธิก็จะมันแนบชิดติดกับลมเมื่อสมาธิมันแนบชิดติดกับลมเมื่อไหร่ก็แปลว่าสาเร็จตามวัตถุประสงค์ใช่ไหมสมาธิก็มีความตั้งมั่นมากขึ้นสรุปแล้วก็สติสำคัญไหมสติเนี่ยสำคัญในกิจทั้งปวงด้วย ไม่ใช่เฉพา ะ, จะเจริญอาณาบารณสติอย่างเดียวในการกินอาหารในการยืนการเดินการนั่งการนอนทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องกิจของสติทั้งนั้นเอาเนี่ามาพูดเตือนเลยไปว่านี่ยพูดยกตัวอย่างให้ฟังเอาละแต่นี้เรามากันนะสถานที่ตรงนี้ามาพูดก่อนว่าเห็นไหมทําไมามาถึงพูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นก่อน การเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วก็โยงมาถึงพระธรรมโยงมาถึงพระสงฆ์ก็กลายเป็นเชื่อมั่นสามอย่างจากหนึ่งอย่างก็กลายเป็นเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยเมื่อเราเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยแล้วเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้านะเอาละเวลาเราสวดเนี่ยอิติปิโสพระคาวาแปลได้ไหมแม้พอเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระ อ, องค์นั้นสวดบ่อยไหม ละหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยสวดบ่อยหรือไม่บ่อยสวดไปเรื่อยเลยใช่สวดไปเรื่อยสวดจบจบก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอย่างนี้ก็เรียกว่าสอดสวดแบบเลื่อนลอยอะ่ะสวดไปสวดมาก็ไม่เคยได้ความรู้สึกอะไรมากมายเลยบางทีก็ได้เพียงแค่ ใจมนันชื้นขึ้นมาหน่อยเท่านั้นแหละเป็นไม่เป็นเขาห้ามสวดแบบนั้นถ้าเราสวดว่าอาราหังเนี่ยพุทธเจ้าเป็นพระอารหังหรือไม่เป็นพุทธเจ้าไกลจะกิเลสไหมไกลจะกิเลสด้วยพุทธเจ้าตัศรุชอบได้ด้วยตนเองใช่ไหมพุทธเจ้าถึงพร้อมในวิชาแปจันนนสิบ้าพุทธเจ้าเสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกกว่าไปแล้วก็สวดไปเรื่อยเลยเอาใครสวดมนแปลได้ด้วยเนี่ยพุทธคุณแปลยกมือที่ที่สวดแปลได้ ให้สวดแล้วแปลไม่ได้โอ้โหเยอะเลยเนะสวดอิติปิโสพ ร, ระกวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธเนี่ยรู้ความหมายไหมเอาเอาที่รู้ความหมายก่อนเนะมีคนเดียวเองเลอนอกนั้นไม่รู้เลยเลยรู้ใช่ไหมไอ้สวดแล้วไม่รู้ความหมายเลยเออยอมลองยกมือที่สวดไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รู้หรอกว่าหมายถึงอะไรสวดให้จิตเป็นสมาธิ ที่ไม่ยกนี่แปลว่าอะไรกั้มกึ๋งไงอยองมัน้กึ๋งเลยเรื่องยังไม่แน่ใจหรือฟังคำาถามไม่ชัดเอามาพูดเร็วไปว่าไม่เร็วนะคือต้องการอยากให้เรารู้ว่าเราเชื่อมั่นที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงเชื่อมั่นไหมย้อนถามอีกครั้งหนึง่งเชื่อมั่นพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงไหม ว่าสามารถเป็นระบบเป็นระเบียบแบบแผนประพฤติปฏิบัติตามแล้วเป็นภระรยาได้จริงเชื่อไหมแล้วหันมาย้อนถึงตัวเองแล้วเราเชื่อมั่นตัวเองไหมเราเชื่อมั่นตัวเองไหมว่าสามเรานี่แหละจะเป็นมนุษย์คนคนหนึ่งที่จะเดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าฝึกตามคําสอนพระุทธเจ้าเพื่อทําตนเองให้เป็นพุท ธ, ธะอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็น พระพุทธเจ้าเป็นและสัมมาสัมพุทธะใช่ไหมตัดสั้เองโดยชอบไม่มีครัวญ า, ารณแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดสั้เองโดยชอบแล้วก็เอาคําสอนที่พระองค์ต้องตัดสั้ธรรมะที่ตรงตัดรู้มาบอกแก่เวไนยชนหรือเวไนยศัตร์สัตว์ที่จะตัดสั้นตามเมื่อสัตว์เหล่านั้นได้ฟังแล้วแล้วไปฝึกฝนพัฒนาก็กลายเป็นรู้ตามเขาเรียกอนุพุทธะคือรู้ตาม ทีนี้เอาละเราเมื่อกี้ถามว่าเรามั่นใจในพระพุทธเจ้ามั่นใจในพระธรรมมั่นใจในพระริยสงฆ์และเรามั่นใจตัวเองไหมเชื่อมั่นตัวเองไหมว่าฉันก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะฝึกตามคําสอนของพระพุทธเจ้าและจะเปลี่ยนสถานภาพจากปุถุชนเป็นพระริยะให้ได้ในภพนี้เชื่อมั่นแบบนี้ไหมเชื่อมั่นไหม เอ๊ะทำไมไม่มีเลยอ่ะเอ่งี้ก็หมดตื่งนงั้นจะมาปฏิบัติกันทําไมเนี่ยเดี๋ยอย้อนใหม่เออเราเชื่อมั่นปัญญาไหมว่าสัมโพธิเนี่ยปัญญาที่ตรัสรู้สัจจสี่เชื่อมั่นไหมว่ามีจริงถามว่าปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการทําเหตุปัจจัยใช่ไหมให้เหตุปัจจัยที่ถูกต้อง เช่นให้เหตุปัจจัยของศีลที่ถูกต้องศีลก็เกิดขึ้นให้เหตุปัจจัยของสมาธิที่ถูกต้องสมาธิก็เกิดขึ้นให้เหตุปัจจัยของปัญญาที่ถูกต้องปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วปัญญาเหล่านั้นเมื่อได้เหตุปัจจัยจนสมบูรณ์แบบแล้วปัญญาเหล่านั้นสามารถแทงตลอดสัจจะสี่สามารถทําให้มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เชื่อมั่นไหมเชื่อมั่นศักยภาพของมนุษย์ไหมว่ามนุษย์นี่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกเชื่อไหม อ้านี่นั่งอยู่เนี่ยเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์เนี่ยที่นั่งอยู่ใช่มนุษย์ไหมเนี่ยแล้วไม่เชื่อหรือว่ามนุษย์ฝึกตัวเองเป็นพุทธะได้เนี่ยเชื่อไหมแต่ไม่ใช่มนุษย์คนนี้ใช่ไหมเอออย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยก็หมดที่ทางเนี้พยพระเจ้าไม่ให้สอนเราเป็นคนขี้ขาดแบบนี้ พุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยมีศรัทธาเชื่อปัญญาสามารถแทงตลอดส hey, t, ัจจะสีได <s assy> ้จริงเมื่อมีศรัทธาแล้วพุทธเจ้าสอนให้เรามีความเพียรจะได้ออกจากความเกียดค้านได้พุทธเจ้าสอนให้เรามีฝึกสติจะได้ออกจากความหลงลืมได้พุทธเจ้าสอนให้เรามีสมาธิฝึกสมาธิจะได้ออกจากความฟุ้งซ่านพุทธเจ้าสอนให้เรามีฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นจะได้แทงตลอดความจริงอย่างที่พุทธเจ้า ทำแล้วพระเจ้าบอกพวกเธอเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้อังงนั้นนะและจะประเสริฐได้เมื่อฝึกจนสมบูรณ์แบบแล้วแต่ถ้าเป็นแค่มนุษย์อย่างเดียวยังไม่ได้ฝึกตามศรรีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยจะไม่ได้เข้าถึงความประเสริฐอะไรเลยเข้าใจตรงนี้ไหมเอาสรุปแล้วถามใหม่เ <c oughs> <c oughs> ชื่อมัน่นพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ไหม พระษารีบุตรเป็นมนุษย์ไหมพระโมคคารนะเป็นมนุษย์ไหมพระนางพิมพ์พายโสธราเป็นมนุษย์ไหมนางประชาวดีโคตมีเป็นมนุษย์ไหมนางวิสาขาเป็นมนุษย์ไหมอานาถปินฑิกาเสถียีเป็นมนุษย์ไหมแล้วต่างอะไรจากเราเราเป็นมนุษย์ไหมท่านเหล่านั้นฝึกตนเองจนเป็นพุทธะตามพุทธเจ้าได้แล้วเราจะฝึกตนเองตามพุทธเจ้าเป็นพุทธะอย่างพพุทธเจ้าได้ไหมได้ไม่ได้ โอยต้องให้ออกแรงขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยแค่จะพูดให้เราว่าปัญญาเนี่ยสุดยอดนะถ้าฝึกได้สุดยอดไม่ใช่ว่าโอ้ยดูจากตัวเองแล้วไม่เคยทำอะไรมาสอบความสำเร็จเลยเอทำไมนั่งมึนๆยังมึนอยู่หรือว่าหายมึนหรื อ, อยังสรุปแล้วก็คือว่าเอาระ การเป็นมนุษย์นี่ยากหรือไม่ยากเพราะมนุษย์ต้องมาจากอะไรมาจากศีลห้ามาจากกุศลกรร ม, มบทสิบถึงจะเป็นมนุษย์ได้นี่เราผ่านด่านมาแล้วเนี่ยหนึ่งสัตว์นรกเราก็ผ่านมาแล้วสัตว์เดรัจฉานก็ผ่านมาแล้วเปรตก็ผ่านมาแล้วสุรกายก็ผ่านมาแล้วสัตว์บ้าใบาบอดหงวกเราไม่ได้เป็นแล้วเอาละเรามาเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไหมตอนเนี้ย หรือยังมีอะไรมันเเดี่ยงเดี่ยงพิคนลพิการบ้างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไหมสมบูรณ์แบบใช่ไหมพร้อมที่จะฝึกศีลให้เกิดขึ้นไหมพร้อมไหมพร้อมตอนไหนพร้อมพร้อมที่จะฝึกแล้วพร้อมที่จะฝึกศีลให้เกิดขึ้นทีนี้พอฝึกศีลให้เกิดขึ้นเนี่ย ตอนนี้ตัวกูโซลศีลเนี่ยมันไหลในกระแสของพฤติกรรมเนี่ยตลอดเวลาไหมไหลยอยู่ตลอดเวลาไหมรู้สึกว่าแม้มีเจตจำนงที่จะให้ศีลข้อใดเกิดมันก็เกิดได้ตามเจตจำนงนั้นมีเจตจำนงมีความจงใจที่จะให้จิตงดเว้นจากการฆ่าพฤติกรรมก็งดเว้นจากการฆ่าได้จริง มีเจตจำนงที่จะให้ใจเป็นไปกับเมตตาเมตาก็เกิดขึ้นได้จริงรักปรารถนาดีเอือ้อทอนมีเจตจำนงที่จะให้กรุณาเกิดขึ้นกรุณาก็เป็นไปในสัตว์ทั้งหลายอย่างทุ่นหน้าไม่เลือกเลยฝึกให้เกิดได้จริงอย่างนี้คล่องไหมมันเกิดได้อย่างนั้นจริงไหมมีเจตจำนงที่จะให้ศีลข้อที่สองคืองดเว้นจากการลักการขโมยก็เกิดได้จริงและจิตใจก็แช่มชื่นเบิกบานได้จริงมันออกมาจริงๆรนะ ไม่ใช่แค่รูปแบบแต่มีเจตจำนงมีความจงใจกระตุ้นเตือนศีลข้อไหนให้เกิดขึ้นพฤติกรรมก็จะอ่อนโยนไปตามศีลนั่นเลยเป็นไม่เป็นเป็นไห ม, เ, ไหมเออหน้าชื่นใจถ้าอย่างเงี้ยคือหน้าชื่นใจตรงที่อาตมาได้มานั่งอยู่ใกล้พวกเราแล้วอาตมาจะได้นึกว่าตนเองปลอดภัยแล้วปลอดภัยใช่ไหมล่ะเอาถ ถ้าเรานึกอยู่คนที่มานั่งอยู่เนี่ยมีคนคนหนึ่งคิดไม่ดีกับอามาคิดฆ่าคิดเบียดเบียนตลอดอามาจะปลอดภัยไหมแต่ามานึกเออพวกเราามาัามานั่งเนี่ยมาสบายใจแล้วอามาไม่ต้องหวาดระแวงพวกเราพวกเราเป็นสัตว์ที่กำลังฝึกหรือฝึกแล้วหรือจะฝึกจะฝึกกำลังฝึกหรือฝึกแล้วกำลังนะไม่ใช่จ่านะจ่านี่แปลว่าจ่อยู่นั่นแหละเนี่ยนะ เอากําลังฝึกแล้วฝึกข้อไหนคล่องต้องฝึกใช่ไหมฝึกระดับศีลเนี่ยสําคัญไหมระดับศีลเนี่ยเอามาต้องการมากระตุกให้เราพวกเราเนี่ยหรือพูดให้พวกเราได้เกิดให้มันเกิดจริงๆไม่ใช่ศีลแค่รูปแบบหรือระเบียบพิธีการเท่านั้นแต่ต้องการให้เราพวกเราเนี่ยฝึกให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะว่าตัวกุศลศีลคือเจตจํานงความจงใจที่จะให้ ให้ศีลข้อไหนเกิดก็ได้เอามีเจตนาที่จะประพฤติจารีศีลก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยพวกเราเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนกันเนี่ยแล้วจะฝึกจารีศีลเพื่อนที่พึงปฏิบัติต่อเพื่อนเนี่ยเช่นให้ให้ด้วยเมตตากับเพื่อนมีความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนมีการหยิบของให้เพื่อนกรลยาณมิตรเห็นไหมเราเคยเราเคยหยิบของให้เพื่อนไหม หยิบเสื้อผ้าให้อาหารให้ของใช้ให้เขาหยิบไหมหยิบตามรูปแบบตามประเพณีหรือหยิบให้จริงใจเป็นไปกับเมตตาด้วยหรือสักว่าจะหยิบให้เขาเอาช่วยหยิบหนังสือให้หน่อยก็เ อ, เอาไปแต่แต่ไม่มีเมตตาในการให้เลยเคยเป็นไหมเคยหยิบของให้ลูกไม้มหยิบแล้วโกรธเคยไหม เอหยิบของให้ด้วยความโกรธเคยไหมย็ยนเช่นลูกของเงินเนี่ยเอาเอาไป <c oughs> เคยไม่เคยอันนั้นเรียกว่าฝึกไหมอันนั้นเรียกว่าเจริญเมตตาไหมเขาเรียกอะไรให้ด้วยอะไรให้ด้วยความโกรธบางทีเราก็ให้เพราะต้องการให้เขารักเราเคยเร็ยนไมล่ะ เนี่ยให้ด้วยความโลภบางทีให้เพราะกลัวถ้าไม่ให้ไม่ได้เจ้านี้มันดด่ามันว่าเรายกตัวอย่างเช่ น, เ ข, นเขามาเก็บค่าขยะมาเก็บค่าไฟบ่อยไหมไม่ให้มันดา่าเอาบ้างมันอะไรบ้างสรารพัดเห็นไหมว่าลักษณะอย่างนี้เป็นศีลไหมเป็นไม่เป็นเนี่ยชีวิตเรามันอยู่แบบนี้มา อันนี้ก็เรียกว่าอยู่โดยสัญชาตญาณสัญชาตญาณเนี่ยแปะอยู่โดยสัญชาตญาณเนี่ยแปลว่าฝึกหรือเปล่าสัญชาตญาณกับความจงใจที่จะทําจะฝึกนี่คลนละอย่างกันนะโดยมากสัญชาตญาณมันมีอยู่ไหมมนุษย์เราเนี่ยมีตลอดไหมสัญชาตญาณกับความโลภสัญชาตญาณความโกรธสัญญา สัญชาตญาณความมัวเมาลุ่มหลงสัญชาตญาณความกลัวความอยากได้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไอ้ตัวตันหาก็อยากได้มานะก็อยากใหญ่ใช่ไหมทิฏฐิก็ใจแคบมันก็เป็นมันอยู่อย่างนี้แหละไอ้สัญชาตญาณกิเลสเหล่าเนี้ยมันก็อยู่ด้วยกํานาจของเนี้ยไม่ได้ไม่ได้คิดฝึกตัวเองเลยใช่ไหมเราทีนี้เอาละแต่เนี้ยถ้าเราจะฝึกให้เกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าเราจะต้องมาตั้งใจไหมต้องมาตั้งใจแล้วต้องรู้ข้อมูลไหม ฝึกแบบสเปซสปะแบบไม่รู้ข้อมูลได้ไหมไม่ได้เลยต้องฝึกแบบมีข้อมูลแล้วก็มีวิธีการนั้นพระเจ้าวางระบบการฝึกไว้หมดแล้วเพียงแต่พวกเราเงี่ยเงี่ยสดเงี่ยหูฟังฟังให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ฝึกให้เกิดขึ้นจริงๆเห็นไหมว่าการบางครั้งเนี่ยเรานึกว่าแต่งดเว้นจากการ่างดเว้นจากการลากักงดเว้นจากการพูดผิดในการพูดเท็จส่อเสียดคาหยาเพรอเจอ เงเว้นจากการดื่มสุดาและเมลยัยมันแค่ได้ข้อห้ามข้อห้ามข้อห้ามแต่เราไม่เคยที่จะทําจิตที่จะเปิดออกมาในการที่จะทํำเมตตาให้เกิดทํากรุณายให้เกิดทําจิตที่คิดจะให้ให้เกิดอย่างนี้เป็นต้นพอจะมองออกอีย่างว่าชั้นศีลเนี่ยพอชั้นศีลมันไม่รอดมันก็ไม่ได้ความปราโมทไม่ได้ปีติไหมพระท่านพูดไว้ตอนขืนเนี่ยพระจะบอกว่าไงบอกว่าปราโมทปราโมทแปลว่าอะไร ความล่าเลงเบิกบานใจในเรื่องอะไรเราจะเกิดปลาโมดในเรื่องอะไรอ่าไปลักขโมยเขาแล้วได้ของมาแล้วปลาโมดอันนี้ใช่ไหมได้ด่าเขาสะใจแล้วรู้สึกปลาโมดเกิดอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้มันเกีเป็นไปกับความโลภแต่ปลาโมดที่เราทำเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องเป็นความเบิกบานล่าเลงเนี่ย เบิกบานใจกับสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เราได้ฝึกเช่นได้ให้ได้สละได้แบ่นปันได้ให้ด้วยเมตตาได้ให้ด้วยกรุณาให้ให้ด้วยเมตตากับให้ด้วยกรุณาเหมือนกันหรือต่างกันยังไงถ้ายามเขาปกติเราควรให้ด้วยเมตตาใช่ไหมถ้ายามเขาแย่ลงตกต่ำให้ด้วยอะไรได้กรุณายามที่เขาประสบความสาเร็จให้ด้วยอะไรให้ด้ยมุทิตา พอยินดีพูดล่ะเอ่อเรามาอยู่นี้เราพูดกันไหมพูดหรือไม่พูดมาอยู่นี้พูดไปกี่คำแล้วพูดเยอะแล้วใช่ไหมถามว่าจะพูดทุกครั้งเนี่ยตั้งเจกจจำงก่อนไหมว่าจะพูดด้วยปียาวาจาคิดแบบนี้ไหมพูดด้วยเมตตาพูดเป็นไหม อ่ะอย่างพระที่พูดกับเราเนี่ยลองเดาใจพระเดีที่เอะว่าพระพูดด้วยเมตตาหรือพูดด้วยกรุณาหรือพูดด้วยมุทิตาอ่ะลองเดาใจพระเดียวที่พระกําลังกล่าวพระธรรมเนี่ยพระพูดด้วยเมตตามีความรักปรารถนาดีเ อ, อื้ออทรจึงค่อยเปล่งวาจาไปหรือพูดด้วยกรุณามีสงสารคิดจะช่วยเขาเกิดความรู้ความเข้าใจหรือพูดด้วยมุทิตาบอกโอ้พวกเรามีความรู้สุดยอดอยู่แล้วพูดส่งเสริมสนับสนุนเกื้อหนุนเอ้าคิดว่าพระพูดด้วย ด้วยอะไรเนี่ยเอาใครว่าพูดด้วยเมตายกมือทีใครว่าพักพูดด้วยกรุณาใครว่าพักพูดด้วยมุทิตาเอาใครคิดว่าพักพูดด้วยโทสะพูดไปอ่อน อ, อกอ่อนใจไปเนี่ยเอาพูดได้แล้วเอามาต้องสลับตลอดเลยนะเวลามองไปเตดแลวบุคคลเนี่ยามาก็พอรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้าง แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยพูดด้วยกรุณาพูดด้วยกรุณามีเจตจํานงมีความจงใจตั้งใจพอบอกพูดด้วยกรุณายอมเอ๊ะทั้งนั้นฉันแย่หนักเลยใช่ไหมนี่ยอมคิดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่งัฉันพูดด้วยกรุณาปรารถนาอยากให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเพราะรู้ว่าบางอย่างเนี่ย เอามาไปดูประวัติพวกเราหมดนะก่อนจะมากล่าวว่าทำเนี่ยมาก็มาดูแต่ละคนเคยปฏิบัติมายังไงฝึกมายังไงมาก็ไปดูไม่รู้ว่าเาโกหกหรือเปล่านะที่เราเขียนข้อมูลเขียนได้เขียนด้วยมืสาวาดหรือเขียนด้วยเขียนด้วยความจริงใจเขียนด้วยความจริงไหมที่เราเขียนประวัติออกมาเนี่ยจริงไหมเราเป็นคนพูดจริงไหมทาจริงไหมเป็นคนจริงใจหรือเปล่า ยิงใจนะลักษณะนี้เขาเรียกเป็นสัจจ์แล้วอามาก็ไปดูบางคนก็บอกเคยปฏิบัติยุบหนอพองเนอมาสิบครั้งก็มียี่สิบครั้งแม้มีบางคนปฏิบัติเป็นร้อยครั้งก็มีมาฟังแล้วโอ้โหอยากเจอหน้าอย่างคนปฏิบัตินัตั้งร้อยครั้งเนี่ยจะได้อาอาจารย์มีฉายสัมภาษณ์แม้ปฏิบัติมาตั้งร้อยครั้งเนี่ยเนี่ยไม่ธรรมดานะบางคนก็เคยปฏิบัติอะไรนะสติสิบสี่อย่างอะไรเงี้ยเนะ่ บางคนก็เคยปฏิบัติสายวัดป่ามาบางคนก็มาจากสวนโมกอะไรเงี้ยนะบางคนก็สายอะไรนะวัดนาวัดอะไรเนะนอะป่าพงอะไรกันเนี่ยมามีกันเยอะหมดเลยมาก็มานั่งเอ๊ะเรา เ, เอาไงเนี่ยเยอะเหลือเกินเนี <c> ่ย <oughs> แล้วมาก็ตรวจดูอายุด้วยนะก็ดูว่าไอ้ใครอายุเท่าไหร่ไม่รู้ยอมใส่จริงหรือไม่จริงเนี่ยนะมาก็ดูจริงไหมเดยมากบอกอายุจริงไหม <c oughs> จริงเนี่ยเออนักปฏิบัติบอกจริง แต่โดยส่วนใหญ่พออายุแล้วมาดีใจหรือทุกใจหรือดีใจอ่ะมาก็มาคํานวณไงคํานวณว่าเออปัญช่วงไหนของอายุนะที่จะตัดสู้เนี่ยนะที่จะบรรูุเนี่ยปัญญาทัศกาวัยยอมว่ายาอายุระดับไหนเขาเรียกปัญญาทาศกะวัยอ่ะอายุสี่สิบถึงห้าสิบก็บางปัญญาทัวัยของปัญญา เอาใครใครต่ำกว่าห้าสิบยกมือที่โอ้โหเยอะเลยมีโอกาสบรรลุกันยเยอะนะเอาใครเกินห้าสิบแล้วเออนี่มีโอกาสสร้างเหตุปัจจัยไปพบหน้าเห็นไหมได้โอกาสหมดเลยใช่ไหมแต่ไม่แน่นะอาจจะมีบางคนที่ได้โอกาสยอมว่าอายุนี่สำคัญไหม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะเป็นปัจจัยหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดแต่บางคนเกิดมาด้วยติเหตุกรประปฏิสนธิก็ได้ใช่ไหมเ อ, อ่ยอมยอมมั่นใจตัวเองไหมว่าชาตินี้ฉันต้องบรรลุให้ได้อ้าลองดูหน่อยที่ที่มั่นใจว่าชาตินี้ฉันจะต้องบรรลุให้ได้โอ้มีหนึ่งแล้วมียกหนึ่งแล้สองอาบอกว่า ยังไงชาตินี้ฉันคงบรรลุไม่ได้แน่ต้องยอกมือที่มีมยโอ้โหยอมทำไมดูถูกตัวเองขนาดนั้นฮะความเพียรอ่อนก็เพิ่มไม่ได้เลยเอาระหว่างความเพียรกับปัญญาไหนสำคัญกว่ากัน พุทเจ้าให้เพียรก่อนจึงมารู้ทีหลังหรือให้รู้ก่อนจึงเพียรทีหลังพุทเจ้าสอนให้เพียรก่อนหรือให้รู้ก่อนเอาใครบอกว่าเพียรก่อนยกมือทีเอาใครสอนให้พุทธเจ้าสอนให้รู้ก่อนให้ฉลาดก่อนจึงค่อยเพียรสรุปแล้วพุทเจ้าสอนให้ฉลาดก่อนนะจึงค่อยเพียรสรุปแล้วห้ามคนไม่รู้ขยันห้ามเด็ดขาดนะไม่รู้อย่าเพิ่งขยัน เอาถ้าไม่รู้ว่ายุ้พธมาอย่างไรขยันขับรถมาเลยเนี่ยคนอย่างนี้เราอยากจะนั่งรถมาด้วยไ้มเขาถามว่ายุ้พุธยุวพุทธิกาสมาคมไปทางไหนบอกไม่รู้ เ, เชิญขึ้นมากับฉันเนฉันจะขับไปม่วงนี่แหละเอาไม่คนประเภทเนี้พุทธญา้าบอกว่าให้รู้ให้เข้าใจก่อนจึงเพียรจึงขยัน โดยสรุปวงเล็บไว้ก็คือว่าห้ามคนโง่ขยันคือคนโง่คนยังไม่รู้อ่ะห้ามงั้นตอนนี้พวกเราจึงต้องมาทําความรู้ก่อนใช่ไหมต้องอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยท่านผู้รู้ทั้งหลายบอกโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องบอกกันี่มาถึงปั๊บเอาเลยนั่งหลับตาหลับตาเสร็จดูลมเดี๋ยวให้ลมมันพาไปที่ไหนก็ได้ได้ไห ให้ลมมันพาไปเธออะไรช่างหัวขอไม่ช่างงอนลมไปยังไงก็ตามลมมันไปเรื่อยๆตามลมไปเรื่อยๆถามว่าคนดูลมเนี่ยเราลมหายใจเข้าออกเนี่ยบรรล้ทุกคนไหมโอ้โหทั้งนั้นพวกฝึกโยคะก็บรรล้หมดสิพวกนี้เก่งเรื่องลมจะตายแต่ทำไมไม่ได้บรรลุล่ะลัทธิโยคะเนี่ยใช่ไหมล่ะ 阿拉ดาบทอุตส่าดาบ ท, ท, าาบทพวกนี้กลุ่มือนกสินกลุ่มเนี้ยก็ดูลมกันมาแทบเลยทางนั้นแต่เห็นไหมว่าต้องรู้ต้องเข้าใจว่าดูลมอย่างไรที่จะทําให้ศีลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญดูลมอย่างไรที่จะทําให้สมาธิที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญดูลมอย่างไรที่จะทําให้ปัญญาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเจริญเห็นไหมลมเป็นอุปกรณ์ เป็นเป็นอุปกรณ์ในการที่จะฝึกที่จะทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องพอจะเข้าใจยางนี่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปนั่งดูเฉยๆแล้วมันเกิดเองในใ น, ในที่ไหนใช่ไหมเล่าเ อ, าอะไะทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของความเชื่อตอนนี้เราเชื่อมั่นหรื อ, อยังว่าเราก็เป็นสัตว์ที่ฝึกที่ต้องฝึกไห เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและเมื่อฝึกได้แล้วจะเข้าถึงความประเสริฐได้นจะเข้าถึงความถ้าเชื่ออย่างนี้คือสรุปแล้วพระพุทธเจ้าต้องการให้เชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ต้นแบบไหมเป็นมนุษย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีไหมเอาแล้วภาษาริบุตรพระโมคคารนาเป็นต้นพระอรหันต์ทั้งหลาย อุบาสกบาลิกาทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุทำอันนั้นเป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วว่ามนุษย์สามารถฝึกตนเองแล้วก็สามารถพ้นทุกข์ได้จริงทีนี้เมื่อเราเชื่อมาเราเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เกิดความเชื่อคนที่ยอมเคยเห็นคนที่เขายอมยอมเคยนั่งเคยนั่งรถประจำทางไหมเคยนั่งเครื่องบินไหม เคยนั่งเรือไหมเคยหมดเลยใช่ไหมยอมว่าคนขับรถประจําทางคนขับเรือคนขับเครื่องบินเนี่ยพอลขับทั้งหลายนะเนี่ยเขาเชื่อมั่นไหมว่าเขาจะสามารถนํารถคันนี้ไปถึงจุดหมายปลายทางนําเรือไปถึงจุดหมายปลายทางนําเครื่องบินไปถึงจุดหมายปลายทางเขาเชื่อไหมเขาเชื่ออย่างเดียวหรือเขามีความรู้เชื่ออย่างเดียวหรือมีความรู้ด้วย มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถด้วยแล้วพวกเราอะ่ะก็หันมาย้อนดูตัวเราเองว่าเราเชื่อไหมว่าชีวิตของเราเนี่ยื่อฝึกตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะทำให้ชีวิตของเราพ้นทุกข์ได้จริงเชื่อไหมแต่ความเชื่อของเราจะต้องเอาไปแมทกับความรู้ไหมอ้ฉะนั้นเชื่ออย่างเดียวไม่ไม่ได้ เมื่อเชื่อแล้วก็ลงมือในการที่จะฟังให้เกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในแผนที่ในแบบแผนนี้อย่างชัดแจ้งแล้วตอนนี้เดินมันจะเดินอย่างคนมั่นใจหรือไม่มั่นใจมันจะมั่นใจตอนนี้มั่นใจไหมอะไรทำให้เรามั่นใจตอนนี้ได้ความรู้หรื อ, อยังได้แล้วได้แล้วหรือ ได้แล้วไม่ต้องพูดแล้วได้นั่งกรรมาฐานกันได้หรือยังเอาละแต่นี้พวกเราได้แล้วนะได้ระดับหนึ่งแล้วเอา้าถามหน่อยว่าเรารู้ไหมว่าศรัทธาคือความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะเกิดได้ด้วยอะไร ทำอย่างไรตอนนี้เราเป็นคนมีศรัทธามากหรือศรัทธาน้อยเชื่อมั่นมากหรือเชื่อมั่นน้อยเอาตอนนี้เชื่อมั่นเอาใครคิดว่าตนเองจะพ้นทุกข์ที่จะไม่พ้นทุกข์ยกมือที่เมื่อกี้ที่บอกว่ายังไงชาตินี้ไม่พ้นทุกข์อ่ะอันนี้แปลว่าเราเชื่อมั่นมากหรือน้อ ย, อย น, น้อยแปลว่าศรัทธามากหรือน้อยวิธีการจะเพิ่มทํำยังไง <c oughs> หนึ่ง เอาใครคิดว่าเราเรามีศรัทธาน้อยยกมือทีใครมีศรัทธาปานกลางใครมีศรัทธาเต็มเปมี่ยมเฮ้ยไม่เชื่อแล้วเต็มเปี่ยมเนี่ยมีหรือโอ้โหเราไม่รู้ว่าขนาดของศรัทธาเต็มเปี่ยมคือศรัทธาของใครของพระอริยใช่ไหมศรัทธาเขาเต็มแล้วพระอริยเนี่ยถ้าบุถุชนนี่เต็มไม่เต็มยังไม่เต็ม แต่เราต้องการจะเพิ่มศรัทธาทำยังไงดีเอ่อสรุปแล้วพวกเรายังศรัทธาศรัทธาเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมาขึ้นลงได้ไวหรือช้าถามว่าอามาจะสามอ า, มาภายในหนึ่งนาทีเนี่ยามาสามารถทำให้พวกเราหมดศรัทธาได้ไหมได้เลยไอเนเนเนี่ยสามารถทำให้เราหมดศรัทธาได้ไหมอาถ้าเนนลุกขึ้นถอดยีวอนออกหมด ยอมยังจะศรัทธาเนีนไหมเชื่อั้ยจะเชื่อ อ, อีกไหมต่อไปโหไม่ไหวไแล้วเว้ยอย่างเงี้ยใช่ไม่ห ไ, ไหมศรัทธาเนี่ยมันขึ้นเร็วตามรงเร็วมากเลยศรัทธาพุ้ดูช น, ชนเป็นแบบนี้แต่นางวิสาขานะนางวิสาขาเนี่ยมหาบาสิกาเนี่ยคนใช้ไปเห็นภิกษุไม่มีผ้ากำลังอาบน้าฝนอยู่ถอดผ้าออกหมดเลย โอยคนใช้หมดศรัทธาพอมาบอกนางวิสาขานางวิสาขาหมดไหมไม่หมดศรัทธาอย่างพวกเราพ็ได้ยินข่าวพระไม่ดีแค่ไม่ได้เห็นจริงเนี่ยนะไม่เห็นเองเนะี่ยมีคนเอามาบอกหมดไม่หมดหมดไหมนี่อย่างไงศรัทธาของเรามันง่ายเหลือเกินเนี่ยนี่มันขึ้นลงง่ายมากใช่ไหมแสดงว่าความเชื่อของเราความศรัทธามั่นคงของเราเนี่ยมันยึดโยงกับการกระทของมนุษย์อันนี้ หนึ่งถ้า ต, ต้องการอยากจะเพิ่มศรนะัทธาเนี่ยสมาคมคบหากับคนที่มีศรัทธาถ้าต้องการจะเพิ่มนะต้องสมาคมคบหาคิดหรือก็ไปเรียนรู้คนที่มีศรัทธามากๆเอาตอนเนี้ยเราจะไปเรียนรู้จะไปคบกับใครถึงจะทำให้ศรัทธาเราเพิ่มไปคบกับใครดี ก็อ่านประวัติของนางวิสาขายเยอะๆของนาถาปินิกาเศรษฐีเยอะๆฟังเรื่องราวของท่านมากๆอย่างนี้เป็นต้นถามว่าถ้าเราฟังเราฟังรรมาศึกษาคำสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นศรัทธาจะจะลดน้อยหรือเพิ่มเห็น ไ, ไหมเนี่ยสมาคมข้หาคนที่มีศรัทธา 2. หลีกหนีห่างไกลกับคนที่ไม่มีศรัทธา ถาเจอหน้ากันแล้วก็ถามก่อนคุณมีศรัทธาไหมถามถามว่าคุณมีศรัทธาขนาดไหนเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมถามเลยถามบอกโอ้ฉันไม่ค่อยมีงั้นฉันเลิกคบกับคุณพวกนี้นะบอกจะไหมเพราะคบไปเราเสียไหมเนี่ยเสียดเนี่ย้าเจอหน้าอันดับแรกต้องถามก่อนไหมถามก่อนว่ามีศรัทธาหรือเปล่าเนี่ยดูหน้าตาอย่างเงี้ยถามเงี้ ถ้าเขาบอกเขามีบ้างไม่มีบ้างก็มงไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้นี้พุทเจ้าบอกว่าให้หลีกหนีห่างไกลจากคนที่ไม่มีศรัทธาแล้วประการต่อมาคือฟังนะฟังอะไรฟังเรื่องราวฟังพุทธคุณเยอะๆฟังคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระรยสงฆ์ฟังให้มากเสพคุณให้มากและศรัทธาจะเกิดใช่ไหม เราต้องหลีกหนีจะห่าง ก, กายจากพฤติกรรมหรือจากจิตที่มันไม่มีศรัทธาด้วยนะถ้าลักษณะนี้ศรัทธาจะเกิดอย่างนี้เป็นต้นอัตความเพียรเนนะ่ยถ้าเราต้องการอยากให้เกิดความเพียรก็คือสมาคมก็ห า, าคนที่มีความเพียรไหมพระเจ้ามีความเพียรหรือเปล่าโอ้มีความเพียรมากในการบําเพ็ญบารมีบําเพ็ญทุกรกรกิริยาบําเพ็ญทั้งังเกดโดยทีละเพียรมากนะ่ย ลองประวัติของพุทธเจ้าแต่ละชาติทั้งเกตดูทีความเพียร น, นี่โดดเด่นมากโลดแล่นมากนะเราเนี่ยเราเร า, เราครบหาหลีกหนีห่างไกลกับคนที่ไม่มีไม่มีความเพียรเราเจอหน้ากันเราถามกันได้ไหมอาบางคนนั่งกรรมาฐานถามว่า น, นี่วันนึงจเจริญกรรมาฐานวันละกี่ชั่วโมงถามเนะไม่ได้ทำเลย อันนี้แปลว่าคนมีความเพียรหรือไม่มีแล้วยังอยากอย่าคบอยู่ไหมถ้าเป็นเพื่อนอถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันล่ะแล้วจะบอกเขาว่าไงนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราเลิกความเป็นเพื่อนกันได้ไหมได้ไหมแล้วจะคบอะไรเขาอีกแลก้วกรูสอนมันจะเจริญไหมเอาคบแบบนี้จะเจริญไหมแล้วยังอยากคบอะไรอีกอะคนที่ไม่มีความเพียรเนี่ย แล้วก็อันนี้เป็นต้นนะนะแล้วก็ฟังเสพคุ้นเรื่องราวที่เกี่ยวที่ที่เกี่ยวกับปารรความเพียนทั้งหลายเหล่านี้เป็ น, นทุกข้อนะสติสมาธิปัญญาก็ในลักษณะนี้เหมือนกันคนบางคนอยู่อย่างฟันฟ่นเฟือนเลือนหลงนะลืมสตินี่เอามาพูดถึงในเรื่องของคำว่าศรัทธา นะพูดถึงศรัท ธ, ธาเนี่ยเพิ่มตัวอื่นด้วยนะวิริยะสติสมาธิและปัญญาโดยเฉพาะปัญญาก็คือสมาคมข้อหากับคนที่มีปัญญาหลีกหนีห่างไกลกับคนที่ไม่มีปัญญาแล้วก็เจริญพุทธคุณบ้างเจริญอนานาบานาสตินี่เป็นข้อฝึกหรือฟังคําสอนที่เกี่ยวกับเรื่องการเรื่องขันธท่าดายตนาทั้งหลายเหล่านี้ที่จะทําให้ปัญญานี่เกิดความเข้าใจลึกซึ้งละเอียดละอามากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น ตรงนี้พูดถึงในเรื่องของอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มนามมาธรรมทั้งหลายเหล่านี้กลุ่มที่เข้มแข็งด้วยศรัทธาคือความเชื่อมั่นถามว่าศรัทธาเนตตาเห็นได้หรือไม่เห็นได้ใช้ตาเห็นได้ไหมไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นจุดหมายที่เลยตาเห็นฉะนั้นต้องสร้างให้เกิดขึ้นเพราะเป็นกลุ่มนา ม, มาธรรม การต่อมาคือมีความภูมิใจในชีวิตที่สะอาดที่ได้ประพฤติดีปฏิบัติงามเ น, นด้วยความเป็นผู้มีสุดจริตก็คือด้านศีลศีลเนี่ยเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมาเอาความเจตนาความจงใจที่จะงดเว้นจากการฆ่าการลักเป็นต้นเนี่ยไอเจตจนงตัวนี้เป็นนามหรือเป็นรูปเห็นเป็นนามธรรมาวิรัติที่สามารถงดเว้นบาปอากุศลธรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายก็เป็นนามธรรมา ยอมเคยเคยคิดจะฆ่าสัตว์มีเจตจำนงเจตนาที่ชั่วร้ายเกิดขึ้นจะตบยุงจะฆ่ า, มาแมลงเป็นต้นจะฆ่ามดเคยมีไหมแล้วยับยั้งได้มีไม่มีเช่นยุงมากัดมีเจตนาชั่วร้ายเกิดขึ้นจะตบค่อยตายแล้วในขณะเดียวกันก็มีกุศลเกิดขึ้น เออไม่ควรไปกระทาเขาเลยเนี่ยงดเว้นกลัวศีลจะขาดไปต้นให้ความรู้สึกเนี่ยงดเว้นจากการฆ่าได้เคยไหมแบบนี้บ่อยไหมยอย่างนั้นเขาเรียกเขาเรียกว่าสามารถละเวทนาเวลาเจตนาหรือวิรัตคือกุศลที่เกิดขึ้นที่สามารถงดเว้นจากเจตนาชั่วร้ายที่ไปเห็นการฆ่าได้ ตรงนี้เขาเรียกว่ากําลังของหฮลิความละอายบ้างโอทป่าความเกงรงกลัวต่อบาปบ้างแล้วก็มีเจตจํานงนี่คือความจงใจที่จะงดเว้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็คือตัววิรัติทั้งหลายมันเกิดขึ้นมางดเว้นจากบาปได้บ่อยไหมแบบนี้บ่อยไหมต้องให้เจตนาชั่วร้ายเกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าหรือว่าเห็นปุ๊บเนี่ยก็ใจก็น้อมไม่ฆ่าเลยหรือว่าคิดจะเบียดเบียนเขาก่อนแล้วจึงงดเว้น เวลามีมาแมลงมาตอมเป็นยุงวิ่งตอมตามหูตามตาปออ้าไม่ไม่เงยเขาล้องไงนะตอนนั้นกโรนนกรธไหมเวลานั่งกรรมฐานสมมติมีมแมลงวันตอมโกรธไม่โกรธคิดอยากเบียดเบียนเขาคิดจะทําทลายเขาเกิดขึ้นเลยไหมไอ้ตรงเนี้ยนะให้สังเกต ด, ด, ดูว่าถ้าจิตเราดีอ่ะที่เป็นไปกับเมตตาจริงๆแม้สัตว์ทั้งหลายมารบกวนก็ไม่มีจิตคิดประทุษลายเขา คือสามารถละเว้นเจตนาชั่วร้ายเหล่านี้เป็นต้นได้ฉะนั้นถามว่าด้านศีลของเราเป็นยังไงสุจริตของเราเนะี่ยกายตอนนี้ของเราสะอาดดีไหมคําว่าสะอาดไม่ใช่ถามว่มาเมื่อเช้าอาบน้ําหรือเปล่านะกายสะอาดก็คือว่าทั้งพฤติกรรมทางกายทั้งหลายเหล่านี้มีความงดงามมากกุศลศีลมาเกิดขึ้นได้จริงๆมีความเชื่อมั่น แล้วก็มีความเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมใช่ไหมก็ไม่ทำกรรมชั่วไม่ใช้กายของตนเองพฤติกรรมทางกายทั้งหลายเนี่ยไปทำกรรมที่ชั่วลายเลยเอาตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยจนมานั่งตรงเนี้ยพฤติกรรมของเรามีพฤติกรรมที่เลวร้ายบ้างไหมเช่นไปฆ่าสัตว์มีไหมมีไม่มีหรือเกือบจะฆ่ามีไหมมีไหมมีเกือบฆ่าไหม เห็นไหมว่าถ้าสามารถงดเว้นได้อย่างนี้ก็เรียกชำระกายได้ลักทรัพย์มีไหมเกือบแล้วมีไหมเห็นแล้วอยากได้มีไหมประพฤติผิดในกามก็คือเห็นไหมว่างดเว้นได้ลักษณะนี้ก็คือกายเราคำว่ากายสะอาดเนี่ยกายสุดจริตเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่นี้ไม่ใช่เพียงแค่นี้นะเรายังสามารถใช้กายไปทาประโยชน์ทาสิ่งที่ดีงาม ใช้กายไปให้ทานเห็ไหมในการให้ในการแบ่งปันใช้กายในการไปทำประโยชน์ในการปัดกวาดเช็ดถูใจเป็นไม่ใช่ไปใช้กายไปทำแล้วใจไม่เป็นใบ ก, กุศล น, นะใจต้องเป็นใบ ก, กุศลด้วยใช้กายไปหยิบของให้คนอื่นใช้หรือยังได้ทำไหมหรือไปหยิบมาหรือไปทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้กายนะั้นในการทาประโยชน์ กสุจริตเอ่อตั้งแต่เช้ามาเนี่ยให้สังเกต ด, ดวูวาจาที่เรากล่าวไปถามว่ามีเจตจํานงความจงใจตั้งใจแล้วกล่าววาจาที่อ่อนหวานกล่าวคําสัตย์คําจริงด้วยกล่าวคําไม่แปลกแยกด้วยแล้วกล่าวคําที่เป็นประโยชน์เป็นต้นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าพฤติกรรมทางกายกับวาจาเนี่ยเป็นไปกับกุศลศีลได้อย่างแท้จริงทีนี้ในด้านของศี น, นี่ไม่ใช่อยู่เพียงแค่นั้น นอกจากไอ้ที่จะเกื้อกูลนะอย่าลืมนะว่านอกจากศีลหลักที่เป็นปฏิโมกสังวรสศีลแล้วเนี่ยยังมีศีลที่เกี่ยวกับการที่จะเป็นตัวเกื้อหนุนที่จะทำให้การฝึกสมาธินะดีขึ้นเ <im it> ขาเรียกว่าอะไรอินทรีสังวรพวกเรามีตากันไ้ยเนี่ยหูจมูกลิ้นกายมีใจครบไหมมีใครพิการบ้างไหม ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนะทีนี้เราใช้มันมีสองอย่างนะว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเขาเรียกผัสสายญาตนะเขาเรียกอายาตานาทวานอายาตนทวานเนี่ยทวานเห็การเชื่อมต่อใช่ไม้มเราจะเชื่อมต่อและสื่อสารกับโลกภายนอกได้เราใช้อะไรใช้ตาไหม ใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายแล้วก็ใช้ใจใช่ไม่เป็นตัวสื่อสารใช่ไหมในหกทวารนี้เราใช้ทวารไหนมากที่สุดใครใช้ตามากที่สุดใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายใครใช้ใจมากที่สุดก็ทวารใจคือการคิดนึกทีนี้มันจะมีสองส่วนนะส่วนเอาไว้รู้สึกกับการรับรู้ ถ้าเรามองมองมาที่พระเนี่ยตอนนี้ใช้ทวารอะไรอยู่เวลาฟังใช้ทวารไรหูอยู่ทวารจมูกใช้อยู่ไหมตอนเนี้ยต้องหายใจไหมเออต้องหายใจไม่มีใครกั้นหายใจฟังธรรมอ่ะเนะ่ยถ้ทวารลิ้นแหละใช้อยู่ไหมตอนเนี้ยยังดูดกินน้ําลายตัวเองไประยะระยะไหมมีรสชาติดีไหมก็มีกินน้าลายไประยะระยะสรุปก็ใช้เหมือนกันใช่ไหมทวารกายแหละ ตอนนี้เป็นไงบรรยากาศเป็นยังไงเป็นยังไงดีไหมรู้สึกไหมตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงในห้องนี้ชอบไหมชอบไม่ชอบรู้สึกชอบหรือไม่ชอบชอบไหมเอาใครชอบยกมือ้ใครไม่ชอบเห็นไหมตาเราใช้ทวารกายเนี้ยไปความรู้สึกเนี้ยมันจะชอบกับไม่ชอบ แต่ถ้าเอาทวารกายในการที่รับรู้ในรับรู้มันจะคนละเรื่องกันเลยนะมันจะไว้ศึกษาจะไว้แยกแยะพอมองออกไว้เนี่ยเอาเหมือนเราใช้ทวารตามองมาที่เนี่ยเนี่ยมองมาที่พระมองที่พรุทธทรูปเนี่ยมันจะสองส่วนเหมือนกันชอบกับไม่ชอบนี่คือรู้สึกแต่ถ้าหากมองมาแล้วเนี่ยเอารับรู้เอามาศึกษาเอามาแยกแยะ มันจะได้ศึกษาฉะนั้นถ้าใครใช้ทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาไว้เพื่อศึกษาเนี่ยเข้าาศึกษาเข้าใจเยขเข้าใจไหมศึกษาเนี่ยเอาไว้ฝึกฝนพัฒนาเพื่อทำให้เกิดสติคือความระลึกได้เพื่อให้เกิดปัญญาคือความรู้และความเข้าใจสิ่งนั้นอย่างแท้จริงอย่างนี้ก็เรียกว่ารับรู้ ในชีวิตของเราเนี่ยเราใช้ทาวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเอาไว้เพื่อรู้สึกหรือไว้เสพเนี่ยกับรับรู้หรือศึกษาเนี่ยอันไหนมากกว่ากันอันนี้ถ้าเราใช้ไว้เสพแปลว่าเราไม่มีศีลเราไม่มีอินทรีย์สังวรศีลตรงนี้สำคัญมากนะฐานของสมาธิจะไม่เกิดนะ ถ้าเราปล่อยให้เราเนี่ยอยู่แค่ความรู้สึกชอบกับไม่ชอบถ้าชอบมันต้องการไหมชอบก็ต้องการไขว่คว้าเอามาตอบสนองถ้าไม่ชอบก็ผลักออกใช่ไม้มผลักออกไม่เอาไม่อยากเกี่ยวข้องลักษณะอย่างนี้ไม่มีการศึกษากระบวนการศึกษาจบกระบวนกอรศีลสมาธิปัญญาไม่เกิดแล้วอันนี้แปลว่าอยู่สักแต่ว่าอยู่ไปแต่ไม่มีการศึกษาอะไรเลยนี่เสียหายมากนะ ศีลตรงนี้เป็นถ้าเราไม่เกือ้อไม่ทำให้ศีลเหล่านี้เกิดขึ้นเราเสียหายเลยการฝึกสมาธิจบั้มไม่ได้งั้นคนที่เขามีอินทรีย์สังวรดีปิดบาปได้ดีคนประเภทนี้จะฝึกสมาธิและปัญญาได้ดีสำคัญหรือเปล่างั้นตรงนี้ต้องไปฝึกให้เกิดจริงๆว่าเวลาเรามองไปที่อาหาร ถ้าเอาความชอบแล้วไม่ชอบเนี่ยเอาความรู้สึกไปรับเนี่ยเขียนอาหารปุ๊บเราก็จะร้องว้าในใจแล้วมาอีกแล้ววันนี้ <c oughs> ใช่ไหมโอ้โหอาหารแย่มากเลยเพียงแค่เอาตาดูสัญญาเก่าก็รายงานแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราเราเอาการรับรู้มาก็เริ่มพิจารณาใช่ไพิจารณาเออวันนี้ อันนี้เป็นอาหารอาหารนี้ทำจากอะไรเริ่มเห็นวมันจะไปเชื่อมโยงกันว่าจากอินเดียสังวรศีลเนี่ยก็จะไปเชื่อมลงสู่ในเรื่องของปัจจะยสันนิสิตศีลศีลที่เกี่ยวกับการใช้ปัจจัยเวลาจะกินอาหารที่นี่เขาให้ท่องกันไหมปฏิสังขายโยนิโสท่องไหมท่องใช่ไหม ท่องไปงั้นงั้นลยหรือว่าใช้ปัญป ญ, ญาออกมากํากับวิจัยแยกแยะด้วยเรากินอาหารเพื่ออะไรอะ่ะกินเพื่อเล่นหรือเปล่ากินเพื่อประดับตกแต่งหรือเปล่าโอ้อาหารประเภทนี้กินไปแล้วจะทําให้ผิวงามคิดไงไหมโอ้จะทําให้ผิวเรามีน้ํามีนวลขึ้นใครเห็นโอ้หมองแล้วมองอีกกินอย่างนี้ว่าคิดอย่างนี้ป่ะอาหารประเภทนี้กินไปแล้วเนี่ย หรือว่ากรณีไม่ไม่แค่กินเพื่อเมามันบางคนก็กินบางคนนะใครอย่ามาพูดอะไรนะตอนกินเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่ฉันมีความสุขมากที่สุด <c oughs> คือชีวิตมีความสุขตอนได้กินเป็นไหมไอ้ตรงเนี้ยก็คือปัจจะญาสันนิสิตาสีนก็ก็ต้องทำให้มีให้เกิดขึ้นด้วยนะเพราะตรงนี้จะเป็นตัวเขาเรียกกินด้วยปัญญารู้จักคุณค่าของการกินที่แท้จริง คำว่ารู้จักคุณค่าของการเสพของการกินที่แท้จริงนี่เป็นชั้นของศีลเนะรู้จักประโยชน์ว่าประโยชน์ของการกินอาหารประเภทนี้เพื่ออะไรทำให้ร่างกายของเรานี่แข็งแรงตั้งแท้จริงก็คือต้องบอกว่ากำจัดทุกเวทนาเก่าคือความหิวแล้วก็ไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเือกินแล้วอึดอัดเนี่ยบางคนกินจ น, นอึดอัดแต่บางคนก็เป็นอยู่ด้วยการกลัวอาหารเครเป็นไหม ไม่ค่อยกล้ากินอะไรเลยเออมีข่าวเคยได้ยินข่าวไหมที่ว่านางแบบบางคนปล่อยจนเองผอมแล้วตายไปเลยอะ่ะเป็นโรคตายเลยนะกลัวอะไรกลัวอ้วนที่่ากินมันเขาไม่ได้เป็นพิจารณาไม่ได้กินด้วยปัญญาเนะเลยไม่กล้ากินอะไรก็กลัวอ้วนเออมีมีอย่างนี้แปลกมากอย่นี้ไม่ได้กินด้วยปัญญานั้นโอ้ถ้าบอกว่าคนกินอาหาร เป็นทั้งนั้นพวกนางงามเลยนางแบบทั้งหลายก็พวกนี้ก็กินอาหารเป็นเงีนี้ไม่ใช่นะการกินเป็นหรือไม่เป็นก็ดูว่ากินโดยปัญญาหรือกินด้วยตัณหาถ้ากินด้วยปัญญาเนี่ยมันกินที่คุณค่าเห็นประโยชน์เพื่อจะทําให้ร่างกายนี้ดํารงเป็นไปได้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อครองชีวิตอันประเสริฐให้กระแสชีวิตนั้นดำเนินไปได้ดีอย่างนี้เป็นตน้นประการต่อมาด้านศีลด้านหนึ่งก็คืออาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีล ศีลเกี่ยวกับการเลี้งชีพถ้าเป็นคารวะก็คือไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้าขายสัตว์เป็นไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายมนุษย์ใช่ไหมหลักการนี้ไม่พออาชีวะประดิษฐ์ที่ศีลจริงๆจะต้องเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตไปหาปัจจัยสี่ด้วยการไม่ทุตไม่ทำทุจริตให้เกิดขึ้นเวลาไปซื้อไปหาอาหารสมมติไปซื้ออาหารในที่ตลาดเนี่ย แล้วโกหกไงไปโกหกแล้วได้ราคาถูกๆมาเนี่ยอย่างนี้เป็นเลี่ยงชีพผิดไหมเช่นไปเออแม่ค้านี่เท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยกิโลละห้าสิบบาทเอร้านนั้นทําไมเขาขายไปถึงนี่โกหกเข้ามาแล้วทั้งๆที่ไม่ได้ไปถามร้านนั้นเลยใช่ไหมต้องการอยากจะได้ราคาถูกอย่างนี้เป็นต้นในรายละเอียดก็คือเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยต้องไม่มีกล่าวว่าจี๊ยต่จริญด้วย แล้วก็ไม่ไม่ทำการเยีสุจริตเป็นต้นให้ดําเนินไปด้วยการเลี้ยงชีพนั้นจึงจะจัดว่าเป็นสุจริตได้จริงอันนี้ก็มาสังเกตนี่เลยตาเห็นทั้งนั้นน่ยนะประการต่อมาก็คือว่าในด้านของข้อมูลก็คือในด้านข้อมูลตอนนี้เรามาสั่งสมข้อมูลเนี่ยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ฉะนั้นข้อมูลทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องนา ม, มาทํานะที่ไปรู้ไปเข้าใจเนี่ยมันรู้ยากพวกเรามีความรู้ความเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยชัดไหมตอนเนี้ยเริ่มชัดขึ้นไหม <c oughs> แล้วอีกด้านหนึ่งก็คือด้านสละเวลาเราสลักวัตถุเนี่ยกิเลสถูกสลัไปด้วยหรือเปล่าเช่น <c oughs> สละอาหารกิเลสคือความโลภโกรธหลงก็ถูกสละไปด้วย เวลาเราให้เราสละเราแบ่งปันทั้งหลายเออในขณะที่เรากวาดเราถูเราเช็ดเราทากิจกรรมต่า ง, างๆกิเลสต้องถูกสละไปด้วยนะถึงจะจัดว่าเป็นจาค้าที่ถูกต้องและสุดท้ายก็คือเรื่องของปัญญาคือความรอบรู้ความเข้าใจลักษณะอย่างนี้เขาเรียกประโยชน์ที่เลยตาเห็นถ้าประโยชน์ที่สูงสุดจริงๆก็คือเป็นการที่เป้าหมายสูงสุดของของที่พระเจ้าวางหลักไว้ก็คือ เป้าหมายในการที่จะทำให้ชีวิตของตนเองเนี่ยเข้าถึงเป็นอิสระเป็นเสรีภาพได้อย่างแท้จริงก็คือไม่หวั่นไหวในโลกธรรมจิตที่ฝึกดีนี่นะฝึกตามศีลสมาธิปัญญาไปในที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยสามารถถ่ายถอนกิเลสซึ่งความโลภหมดไปจากใจจากกระแสชีวิตความโกรธและความหลงหมดตัณหามานะทิฏฐิหลุดลอยไปเนี่ยก็จะเป็นคนไม่หวั่นไหวและไม่หวั่นไหวในการได้ลาบ เสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสารเสริญสุขและทุกขสมหวังผิดหวังทั้งหลายเหล่านี้โลกธรรม ท, ทั้งหลายก็จะไม่เข้าไปกระทบกระแทกกระแสะชีวิตของบุคคลที่ได้ประโยชน์สูงสุดในพระรัตนตรัยอันนั้นแหละเป็นจุดหมายของพวกเรานะว่าทํายัางไงเราจะเข้าถึงประโยชน์อันสูงสุดเหล่านั้นได้จริงใช่ไหมสรุปแล้วจุดหมายของกรชีวิตมีกี่ขั้น31จุดหมายที่ตาเห็นได้ก็คือในปัจจุบันพบ การมีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นต้นมีครอบครัวที่ดีเป็นต้นมีความกยันมั่นเพียรมีทรัพย์เก็บทรัพย์มีสถานะทางสังคมพอเป็นไปได้งี้เป็นต้นใช่ไหมนี่ตาเห็นสองประโยชน์ที่เลยตาเห็นศรัทธาตอนนี้มีมากเลยน้อยศีลมากเลยน้อยสุตตะข้อมูลสั่งสมคำสอนมากเลยน้อยจาค่าสละวัตถุกิเลสถูกสละไปเรื่อยๆหมแล้วก็ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจ นี่ประโยชน์ที่เลยตาเห็นถ้าประโยชน์สูงสุดก็คือสามารถพัฒนาศีลสมาธิปัญญาจนสามารถทำลายายถอนกิเลสได้เป็นสมุทเฉทัปหารนแล้วก็ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเป็นต้นนี่ก็เรียกจุดหมายสามระดับนี่เป็นจุดหมายของชีวิตที่เราท่านทั้งหลายต้องวางไว้ใช่ไหมต้องวางไว้มีใครสงสัยอะไรไม ต่อไปจะได้พูดถึงในเรื่องของอันนี้มาพูดสรุปประเด็นตรงนี้ให้ฟังนะประเด็นในเรื่องของคำว่าวางจุดหมายให้ชัดจุดหมายในปัจจุบันพวกเราชัดเจนเนี่ยชัดเจนไหมจุดหมายเลยตาเห็นยังขาดข้อไหนศรัทธามากหรือน้อยเรื่องศีล ย, ยังต้องฝึกอยู่เรื่อยไหมต้องฝึกตลอดไหม เอาข้อมูลตอนนี้การสั่งสมข้อมูลคำสอนที่จะเป็นการศึกษาแผนที่ในการที่จะเดินทางนำพากระแสชีวิตเพื่อไปถึงจุดหมายที่ชัดตอนนี้ข้อมูลชัดหรื อ, อยังพึ่งตัวเองได้หรื อ, อยังข้อมูลเนี่ยยังนี่ต้องรีบสั่งสมจาคะเอาความโลภลดลงหรือเพิ่มขึ้น ความโกรธตอนนี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นความหลงความไม่รู้ความไม่เข้าใจลดลงหรือเพิ่มขึ้นเอา้าเพิ่มไหมลดลงทุกวันเลยไ้ยรู้สึกว่ามันลดลงอย่างน่าใจหายอะ่ะเป็นไหมคือรู้สึกว่าโหตอนนี้ความโลภมันลดลงแต่บางคนไม่รู้เลยนะมันมีคนประเภทหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่า ตนเองมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ไม่รู้เราเป็นประเภทนี้ั้ยเคยไม่เคยรู้เลยว่ามีกิเลสหรือเปล่า <c oughs> เราเป็นไหมเอาที่เรานั่งอยู่นี่มีกิเลสหรือไม่มีกิเลสยกมือทีมีหรือไม่มีเอาใครมียกมือขึ้นใครไม่มีคิดว่าตนเองมันนั่งอยู่นี่กิเลสมันไม่มีมีไหมสรุว่ามีใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เรารู้ตัวนะแต่บางคนไม่รู้เลยนะ เช่นคนที่กําลังให้ทานรักษาศีลเนี่ยนะคนที่ประพฤติทุดดองอย่างพระทั้งหลายเลยมันไม่เคยเกิดเลยอ่ะหรือคนกําลังศึกษาคําสอนสอนคําสอนเนี่ยสอนธรรมะเนี่ยก็สําคัญว่าตนเองนกิเลสมันไม่เกิดเนี่ยคนบางคนไม่รู้ทั้งทั้งที่มีกิเลสอยู่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มีกิเลสอยู่เพราะตนเองไม่เคยปล่อยให้กิเลสเหล่านี้มันเข้ามามีบทบาทที่ก็แปลว่าอะไรรู้ไหม ไอ้วิติกกัมักกิเลสไอ้กิเลสหยาบๆมันไม่เคยออกเลยของเราออกอยู่ไหมโอโ้โหน่ากลัวยังยังออกอยู่เลยเลยไอ้กิเลสที่ออกทางกายยังออกอยู่ไหมยังมีอยู่ไหมออกทางวาจาสีหน้าหน้าดําำําเครียดเนี่ยไอ้หน้านิ้วคิ Q ้วขมวดยังมีอยู่ไหมเวลาความโกรธเกิดขึ้นเอาเวลาความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราปัดทศลายออกมาเลยหรือเปล่าเลือระ ง, งับได้ เช่นเราโกรธใครสักคนเราออกไปทุบตีๆเคขาไหมดา่าเอาใครด่ายยกมือที่หรือว่าไม่ออกมาเลยทางกายทางวาจาไม่ออกออกแต่ทางสีหน้าคือหน้านิวคิ้วขมวดเห็นไหมว่าจริงๆตรงนี้บางคนเนี่ยสามารถงับได้ก็ไม่รู้ว่าเรามีกิเลสอยู่หรือเปล่านี่คือกลุ่มที่เขาฝึกตัวเองระดับหนึ่งแล้วเนี่ย แต่ว่าไม่เห็นกำลังของกิเลสที่โผกแต่ยังเราเนี่ยออกทุกวันไหมออกทุกวันเลยใช่ไหมยังมีการกระทบนั่นกร ะ, กระทั่งกระทบกระทั่งนั้นอยู่ตลอดเวลาลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ายังมีกิเลสอยู่ทีนี้อีกด้านหนึ่ง ก็คือด้านสมาธิเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของทางด้านสีนะทนี่ด้านสมาธิเนี่ยไอ้ข้อแรกเขาเรียกว่าศีและสิกขาคือสีนนะีนเนี่ยถ้าฝึกได้แล้วในพฤติกรรมของตอนเองก็จะไม่ละเมิดบากปรกรรมทั้งหลายก็จะไม่ร่วงละเมิดออกมาทางกายและวาจาก็คือการมีชีวิตที่ปลอดภัย รายการเบียดเบียนและการดําเนินชีวิตที่เกื้อกูลแก่สังคมและแก่โลกได้อันนี้ด้านศีลต่อมาก็คือด้านสมาธิศิกขาหรือศึกษาที่ฝึกในด้านจิตก็คือระดับจิตใจได้แก่การพัฒนาคุณสมบัติต่างๆของจิตจิตที่เราจะพัฒนาที่จะมาฝึกกันในเรื่องของการเจริญอาณาปณะเป็นต้นหรือเจริญพรหมวิหารเป็นต้นเนี่ยมี3ด้าน หนึ่งด้านคุณภาพสองด้านสมรรถภาพสามก็คือด้านความสามารถันต้องฝึกให้ได้สามด้านเนี่ยจิตใจเนี่ยหนึ่งก็คือด้านคุณภาพไอ้คุณภาพก็คือด้านคุณธรรมก็คือฝึกให้มีเมตตาให้มีความรากักความปรารถนาดีความเอื้อทอน ฝึกให้มีการุณาคือความสงสารคิดจะช่วยให้สัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์ฝึกให้มีมุทิตาคือความพลอยยินดีเนี่ยเห็นอกเห็นใจคนอื่นเพื่อแพร่แล้วก็ฝึกให้จิตนั้นมีสุขภาพมีคุณภาพที่อ่อนโยนมีความเคารพมีความซื่อสัตย์มีความกระตันอยู่เนี่ยการฝึกในลักษณะนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคุณภาพฝึกให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมอย่างนี้ทั้งหมทที่เรามาฝึกเนี่ย ให้สังเกตดีดีตอนนี้จิตระดับนี้เราฝึกได้หรื อ, อยังมีคุณภาพแบบนี้ไหมมีเมตตาไหมเมตตาเกิดง่ายหรือเกิดยากง่ายหรือยากอ่ะตอนนี้เวลามองมาที่พระเนี่ยเมตตาเกิดไหมเมื่อวานก็ท้วงไปทีแล้วว่าให้เรามีเมตากับผู้สอนหรือธรรมะไอ้ไอ้ให้มีเมตตากับพระไปต้นเนี่ยอ่ะนพระมาพูดชั่วโมงกว่าแล้ว ใครเคยแผ่หรือน้อมใจเมตตาลักปรารถนาดีเกิดปรารถนาให้พระเนี่ยมีความสุขมีความเจริญเอายกมือทีวันนี้นะเฉพาะวันเนี้ยที่แผ่มาแล้วแผ่ก่อนที่อามาจะพูดเนะี่ยเอายกมือใหม่ที่มีอีกคนโอ้โหเลยน้อยหลงเมื่อกี้ยกพุบเลยเอาใครไม่ได้ไม่ได้ทําเมตตาให้เกิดขึ้นเลยเอายกมือขึ้นทีไม่ได้ทําโอ้โหแรงน้ําใจเยอะ เห็นไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคุณภาพของจิตหรือคุณคุณธรรมเนี่ยไม่ทําให้เกิดต่อไปอย่าลีรอสิเรื่องกุศลเรื่องความดีต้องขนขวายไหมไม่ต้องให้ใครบอกทําเลยทําจิตให้เป็นไปกับเมตตามีความรักความปรารถนาดีแพ่เมตตาจิตให้มันเกิดก่อนนะความรู้สึกจริงๆนะเกิดขึ้นนะไม่ใช่ท่องนะ เช่นท่องสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกตาค้างตาเขียวอยู่เนี้ยคือมันไม่ออกจริงอ่ะเมตตามันไม่ออกจริง อ, อ่ะนี่ให้เมตตามันมีพลังออกจากข้างในจริงๆเลยว่ารักปรารถนาดีเอื้อทอนขอให้ท่านมีอายุยืนขอให้ท่านมีความสุขขอให้คุณภาพชีวิตของท่านดีขอให้ท่านเจริญในศีลสมาธิปัญญาสามารถเดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องและพ้นทุกนะเนี่ย ให้พ้นทุกโดยเร็วโดยสะดวกโดยพันด้วยเถอะอย่าได้เจ็บปวดในสังสารวัฏอีกเลยคิดเนี้ยนะอย่างนี้เมตตาออกคิดไหมพอพระนาอย่างนี้แล้วคิดไหมตอนนี้คิดไหมอ่ะลองคิดดูทเีเอามองมาแล้วลองคิดดูทีดูจิตด้วยนะผ่องใสไหมดูความรู้สึกที่ผ่องใสไหมเบิกบานไหมอบอิ่มไหม เหลือคิดแล้วก็ยังแห้งๆแรงๆอยู่ออกมาไม่ยอมเมตตาออกมาไหมรักปรารถนาดีเอื้อทอนออกมามแบบจับจิตจับใจอ่ะออกมไหมหรือไม่ออกหรือว่าน้าท่านมันไม่น่าเมตตาเลย <c oughs> เออเนี่ยเนี่ยลักษณะงี้เขาเรียกคุณภาพรักปรารถนาดีเอื้อทอน ซื่อสัตย์สุจริตกรตันยูรู้คุณกระตาวทีตอบแทนคุณไอลักษณะนี้คือเนี่ย น, นี่นี่จิตนะในด้านของสมาธิสองด้านสมรรถภาพไอสมรรถภาพในที่นั้นสมรธิยะก็คือความสามารถไอสมรรถภาพความสามารถของจิตก็คือเช่นความเข้มแข็งมันง่นคงมีนะ ความเพียรความกล้าความขยันความอดทนความรับผิดชอบเนี่ยความมุ่งมั่นแน่วแน่ความมีสติมีกำลังของสมาธิที่มั่นคงอันนี้เรียกความสามารถสมรรถภาพความสมรรถภาพของจิตมันแข็งแรงนะนะจิตถ้าฝึกไปแล้วเนี่ยมันจะมีความสามารถก็คือเข้มแข็งมั่นคงด้วยมีความเพียรพยามีความกล้า คำว่าเพียรพยายามแ ก, กล้าตรงนี้แปลว่าเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคแล้วจิตมันไม่ยุบจิตไม่ท้อจิตไม่ห่อเหี่ยวมันมีพลังมากมันเข้มแข็งใช่ไหมมันแ ก, กล้ามากยิ่งเจอปัญหายิ่งเจออุปสรรคยิ่งมีพลังเช่นเวลานั่งกรรมฐานปุ๊บพอถีน้มิถา ม, มาโอ้โหชอบเลยชอบไม่ใช่หลับเลยนะไม่ใช่งนั้นนะชอบในที่นั้นก็เอาและจัดการ เจอความเครียดความโกรธเข้ามากระทบกระทั่งกับฝึกจิตตนเองให้แข็งแรงเลยมั่นคงตั้งมั่นโดดเสาละเนียบโอ้โหไม่หวั่นไหวไม่เกรงกลัวทั้งนั้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตมีความสามารถมีมีสมรรถภาพเข้มแข็งมากแล้วก็ยกตัว อ, อย่างเช่นความฟุ้งซ่านนี่เนะี่ยมันมาลบกวนปุ๊บ ก, ก็ใช้สติระลึกระลึกกับสิ่งเช่นอยู่กับลมใช่ไหมเอาถ้าความ ความฟุ้งซ่านเข้ามาแทรกก็ไม่สนใจเพราะมีความกล้าดูไม่สนใ จ, จมันจะกระชากจิตไปทั้งไหนก็ดึงกลับมาใหม่ก็ดึงกลับมาใหม่ยิ่งเจอปัญหาอรปสาทเช่อนอากาศร้อนกลัวไม้มถ้าจิตเข้มแข็งนี่กลัวไม่กลัวกลัวอากาศร้อนไหมกลัวอากาศหนาวไหมกลัวความหิวไหมกลัวการนั่งนานไหมอตอนนี้เรากลัวไม่นั่งนาน กลัวไม่กลัวอาท่านั่งสามชั่วโมงติดต่อกันมีความรู้สึกยังไงสบายมากนึกยังไงหรือลําบากมากนึกงไงเอาถ้าสามชั่วโมงเนี่ยเอาต่อไปเดี๋ยวเราจะนั่งกรรมาฐานกันสามชั่วโมงติดต่อกันรวดเลยนี่พอได้ยินคํานี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนชื่นใจขึ้นมาเลยโอ้โหรอคํานี้มานานแล้วเป็นยังไงถ้าลักษณะนี้เขาเรียกอะไร ความสามารถสมรรถภาพจิตแข็งแรงมากไม่กลัวไงเอางี้ถ้าสมมุติถ้ามีคนเอาเอาเงินนะเอาเงินก็ได้เอาทองก็ได้มาเทกองเป็นจอมปวกจอมเขาเลยเนะี่ยเอาให้ทุกคนไปเก็บเอาใครเก็บได้เท่าไหร่เป็นของคนคนนั้นถามว่าเราจะเราจะตั้งใจเต็มที่ไหมเนี่ยเราจะบอกโอ้ยเหนื่อยฉันไม่รกไปเก็บหรอก เราจะรีบไปเก็บไหมเก็บด้วยความดีใจไหมเก็บด้วยความล่าเริงไหมเบิกบานไหมชื่นใจได้ไหมเก็บทุกเก็บแล้วรักษาอย่างดีเลยไหมถามว่านั่งกรรมฐานเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าการไปเก็บเงินทองที่เป็นเป็นเพราะนี้เรากําลังเก็บอริยทรัพย์เนอะกาลังเก็บศรัทธาเก็บศีลสุตตะจาระค้าปัญญานะมีข้าวกันไปเก็บทองคำเนอะไอ้เก็บทองคํามันเป็นทรัพย์ภายนอกนะ แต่การที่เรามาเก็บเนี่ยศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็อย่างฉะนั้นเวลาจะนั่งกรรมฐานแต่ละครั้งเนี่ยให้คิดยังไงให้คิดยังไงโอตอนนี้เรากําลังเก็บอะไรเก็บอริยทรัพย์ที่ดีที่สุดกว่าทรัพย์ภายนอกเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดเหมาะสมที่สุดแล้วหาเวลาอื่นไม่ได้แล้วเดี๋ยว และเรามีเวลาน้อยแล้วที่เราจะเก็บทรา์เหล่านี้เอาถ้าคิดอย่างนี้มันจะขวนขวายไหมขวนขวายเต็มที่เราพวกเรามีไหมสมรรถภาพถามหน่อยว่ามีมีความเข้มแข็งไหมเป็นคนที่เข้มแข็งในะทางด้านจิตใจไหมเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งมีความเพียนมีความแกล้ากล้าไหมมีไม่มี มีความรับผิดชอบสูงไหมคำว่ารับผิดชอบอะตอนนี้เราเป็นอุบาสก์บาสิกาไหมเป็นพุทธบริษัทไหมแล้วมีความรับผิดชอบไหมคำว่ารับผิดชอบคือรับผิดชอบต่อการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพุทธศาสนารับผิดชอบในการเป็นมนุษย์และฉันจะต้องรักษาสถานภาพความเป็นมนุษย์ของตนเองให้ดี แล้วก็จะเจริญคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และคุณธรรมที่ยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์เน่ยก็คือศีลสมาธิปัญญาที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่ากุศลกรร ม, มบทเรามีความรับผิดชอบในตัวเองนี้สูงไหมบอกว่าฉันจะไม่อยู่เพียงแค่แค่ศีลฉันจะไม่อยู่เพียงแค่สมาธิและปัญญาระดับนี้แต่ฉันจะฝึกตัวเองขึ้นไปให้เต็มที่ไอ้ความรับผิดชอบตรงนี้สูงไหมเด็กเขาเข้าใจคบว่ารับผิดชอบไหมเนี่ยเอางี้ เรามาเรามาด้วยศีลห้าใช่ไหมเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาด้วยกุศลกรรมบทใช่ไหมและตอนนี้ศีลห้ากุศลกรรมบทของเราดีอยู่ไหมบกพ่องไหมบกพ่องหรือดีพยอมรับเส้นตรงๆนะว่าบอกพ่องไหมบกพ่องบกพ่องถือว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบไหมไม่มี รับผิดชอบก็ต้องรักษาไว้สิแค่กุศลกรรมบท10สิบทำไมเรารักษาไม่ได้สถานภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยเอาละเมื่อรับผิดชอบดีแล้วก็จะใช้กุศลกรรมบทเนี่ยเป็นฐานแล้วก็เดินศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เรื่อความรับผิดชอบสูงสติเป็นยังไงตอนนี้กำลังของสติเราเนี่ยมานะวินาทีนี้มันดีขึ้นหรือแย่ลง สติคือการระลึกอยู่กับกรรมฐานดีขึ้นหรือแย่ลงสมาธิคือความตั้งใจมั่นในการที่สามารถจะเอาจิตเนี่ยไปไว้กับกรรมฐานหมวดใดหมวดหนึ่งก็ได้แล้วก็อยู่อยู่ในกรรมฐานนั้นได้อย่างคล่องแคล่วลักษณะนี้ก็เรียกว่าสมาถภาพนี่คือกลุ่มสมาธิประการที่สมก็คือในด้านของความสุข มีไหมด้านของความสุขมีปลาโมดไหมตอนนี้ในด้านปลาโมดเกิดไหมความเบิกบานล่าเริงจากการได้ฟังธทำเบิกบานล่าเลิงจากการได้รักษาศีลเบิกบานล่าเลิงจากการได้ฝึกสมาธิเบิกบานล่าเริงจากการได้ฝึกปัญญาเกิดไม่เกิดจิตเบิกบานไหมจิตโปร่งเบาไหม ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าปลาโมดก็คือจิตที่ไม่คุณมัวเนี่ยไม่เศร้าหมองด้วยปราโมดเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําลายจิตที่คุณมัวจิตที่เศร้าหมองนั้นจิตปลาโมดประการต่อมาคือปีติความปราบปลืม้มความอิ่มใจเนี่ยมีไหมอันนี้เขาเรียกในด้านความสุขคือสามารถที่จะทำเอ่อจิตเนี่ยในด้านที่สามเนในด้านที่ว่ามีความสุขได้ มีปีติมีความอิ่มใจเนี่ยนะแล้วก็มีปัสัทิสำคัญมากคือปัสัทธิเนี่ยเขาแปลว่าผ่อนคลายในหลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้ปัสจิธิกรรมาฐานที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะต้องได้ตัวนี้นะก็คือมันต้องการกันมากเพราะว่าความเครียดเนี่ยอะไรทปเ ป, ปัจจัยทำให้เกิดความเครียดอ่ะ อัที่นั่งอยู่นี้ใครเป็นคนเครียดง่ายยกมือทีเป็นคนเครียดง่ายมากรู้ไหมว่าอะไรทำเป็นปัจจัยทาให้เกิดความเครียดฮะความโลภทำให้เกิดความเครียดความโลภความต้องการความอยากได้ความติดใจไฝกรสันความโกรธความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจความหงุดหงิดเป็นปัจจัยเกิดความเครียด ความหลงความฟุ้งซ่านล้ำคานใจความลังเลสงสัยเป็นต้นเป็นปัจจัยเกิดความเครียดเห็นไหมโลภโกรดหลงนี่แหละมันทําเป็นปัจจัยเกิดความเครียดแต่ถ้าปสัสสติเนี่ยคำว่าผ่อนคลายเนี่ยคือมันระ ง, งับระ ง, งับความโลภโกรดหลงได้ความเครียดมันก็หายไปภาวะความเครียดหายไปตอนนั้นนั้นผ่อนคลายกายก็ผ่อนคลายใจก็ผ่อนคลาย เนี่ยภาวะเหล่านี้ต้องการกันเยอะแต่คนมันฝึกกันไม่เป็นบางคนมาทำสมาธิยิ่งทำยิ่งเครียดพอทำไปแล้วก็จ้องไปไปมาเกิดภาวะเครียดมากขึ้นพอมองเห็นยังฉะนั้นปัจสัทธิในที่เนี้ยไอความโลภโกรธหลงทั้งหลายมันเป็นความกังวลกวายนะแต่ถ้าใจนึกถึงผลดีที่จะเกิดขึ้น ก็จะทำให้สบายใจนะไม่เครียดก็เรียกว่ายกตัวอย่างเช่นเอาละเรามาฝึกในศีลโอ้โหเราจะเห็นประโยชน์เห็นไหมอณนนิสงของศีลคือความไม่เดือดร้อนใจเป็นต้นปราโมทย์ปีติปสัสสธิโดยเฉพาะปะสัสสธินี่สำคัญมากนั้นได้ความผ่อนคลายเหมือนเรานั่งย่อมเวลาเหนื่อยเหนื่อยย่อมไปนั่งชายทะเลยอมผ่อนคลายไหม เคยั้ยเคยไปนั่งชายทะเลไหมตอนนั้นผ่อนคลายไหมเออไปนั่งอยู่ที่สูงๆก็มองมาข้างล่างก็เห็นตึกลามบ้านช่องเห็นเมฆหมอกทั้งหลายลอยพอดูไปแล้วผ่อนคลายไหมสายลมเฉยเฉีวมีความสุขเชื่อไหมว่านั่งกรรมฐานเนี่ยเจริญกรรมฐานเนี่ยผ่อนคลายมากกว่าน้ง เป็นความสุขที่ไม่ต้องไปไปอาศัยปัจจัยข้างนอกเลยแต่กลับเป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้สงบได้สงบจิตเป็นสมาธิ่ฝึกมันได้ได้ปล่อยวางนะเออเนี่ยมันได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างออกแล้วก็เอาละเรารับภาระเราทำงานมามาก อยู่บ้านแล้วต้องทําหน้าที่เป็นแม่บ้านเป็นหน้าแม่ที่หน้าที่ของพ่อบ้านเราต้องไปทํางานแล้วต้องทํากิจธุระหน้าที่ต้องไปสอนหนังสือต้องไปทํางานการต่างๆเออวาระนี้เราเป็นเวลาที่ที่เราพักผ่อนที่ดีที่สุดเนาะพรา จ, จิตคิดอย่างเนี้ยเริ่มผ่อนคลายไหมเออจริงๆทําไมเราไม่ชอบเนาะ อ, อาการที่ปล่อยวางอาการที่ผ่อนคลายอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยอาการที่คิด พ, พิจารณาอย่างนี้แล้วก็วางทุกอย่างเอาละ แผ่นดินจะไหวน้ำจะท่วมฝนจะตกแดดจะออกไม่ไม่ใช่กิจของเราแล้ววาระนี้เราควรที่จะผ่อนคลายตัวเองแล้วควรจะเจริญกุศลให้เต็มที่ชีวิตของเราก็เป็นอยู่นี่ก็เหลือน้อยแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายแล้วจะไปไหนโอ้หน้ากลัวหมดเลยเนี่ยอยากกันนั้นเลยเราใช้เวลาที่เหลือณนะปัจจุบันนี้ให้มันดีที่สุดดีกว่าพอคิดพิจารณาเหตุและผลไปก็วางทุกอย่าง พอวางทุกอย่างแต่นี้จิตมันแช่มชื่นขึ้นแล้วแต่เนี้ยผ่อนคลายแล้วลักษณะนี้ก็ปัจสถานะเขาเรียกว่าทําด้วยความผ่อนคลายใจมันก็สงบเย็นนะเป็นปัจสถานะเพราะผ่อนใจผ่อนคลาย เ, เพอใจผ่อนคลายแล้วกายก็ผ่อนคลายด้วยนั้นกายกับใจเนี่ยมันจุดมันมันจบกันที่ปัจสถานะกายกายก็ถ้ากายเครียดใจมันก็เครียดถ้าใจเครียดกายมันก็เครียดใช่ไหม อย่างนั้นน่ยพอมันใจเราเริ่มผ่อนคลายทางด้านร่างกายของเราก็เริ่มผ่อนคลายลักษณะอย่างนี้เขาเรียกปัสสถธิที่จริงมันปัจสถานความสงบมันขับเน้นเรื่องใจก็จริงอยู่เรื่องจิตกระใจดัสสิกก็จริงอยู่แต่กายได้ด้วยเพราะเมื่อจิตผ่อนคลายกลุ่มกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นจิตตะเชรู รูปที่ถูกผลักดันจากกุศ ล, ลจิตทั้งหลายนะก็ทํากายให้ผ่อนคลายไปด้วยฉะนั้นคนที่เจริญกุศลได้ในตรงนี้สําคัญมากประการต่อมาก็คือสุขพอมีปราโมทนะเบิกบานก็มีปีติความอิ่มใจพอมีปีติก็มีปัจสถานะคือความผ่อนคลายเพราะปัจสถานะเกิดแล้วก็มีความสุขสุขก็แปลว่าความฉ่าชื่นลื่นใจเนี่ย ใจมันรื่นสบายไม่ติดขัดใจมันโปร่งมันโล่งมันคล่องมันสะดวกไอ้คําว่าสุขนะคือมันโปร่งมันโล่งมันสะดวกมันช่าชื่นใจเกิดขึ้นสุขตรงนี้นี่แหละเห็นไหมเขาเรียกว่าอนวัชสุขสุขจากการที่มันไร้โทษหมดเลยกายก็ไร้โทษใจก็ไร้โทษแล้วก็ปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ด้วย เขก็เลยเข้าถึงอัพยาเสกสุขอัพยาเสกสุขเนี่ยสุขจากการที่จิตของตอนเองนั้นไม่ต้องไปว้าวุ่นกับสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์และทำอารมณ์ทั้งอื่นแล้วแต่จิตของตอนเองกลับมาสงบอยู่ที่ลมเข้าและลมให้ใจออกใช่ไหมไมาอยู่กับตนเองมาอยู่กับทำภายในเงี้ยนี่เขาเรียวกว่าปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิน้นกายใจได้ปิดบาปทั้งอื่นได้ไปเสร็จความสุขมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกอัพยาเสกสุขพอจะเข้าใจอย่าง อ่าเหลือห้านาทีหมดเวลาแล้วมีใครจยถามปัญหาสักข้อไหมมีไหมเมื่อกี้พระพูดเรื่องอัพยาเสกสุขเข้าใจคำว่าอัพยาเสกสุขไหมเข้าใจไหมดีเวลามาคุยกับพวกเราดีตรงที่จะาถามอะไรก็เงี ย, งยบๆกันเลดี คำว่าอพยาเศกสุขเาเรียกสุขที่เกิดขึ้นจากการสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคำว่าสำรวมมันคือก็ปิดบาปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สุขที่เกิดจากจิตที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเครื่องที่ทำให้เศร้าหมองเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีความระมัดระวังที่เขาเรียกว่าอินทรีย์สังวร น, นี่แหละ ก็คือว่าสัมรวมไม่ให้เวลาใช้ตาดูก็ไม่ให้บาปเกิดฟังเสียงก็ไม่ให้บาปเกิดใช่ไหมดอมกลิ่นลิ้นลดสัมผัสและคิดนึกทั้งหลายเหล่านี้เขาเรียกอภยยาเสกสุขสุขที่เกิดขึ้นจากการสัมรวมอินทรีย์ระมัดระวงังไม่ให้บาปเกิดเลยเป็นคนที่เป็นอยู่ด้วยความที่มีเครื่องป้องกันอย่างดีก็คือมีสติก็มีปัญญาทั้งหลายมาจัดการบาปทั้งหลายที่จะเข้ามาสู่ทางทาวารตาหูจมูมกลิ้นกายใจเขาเรียกว่ามีมียามที่ดีอะ ยอมคิดดูว่าถ้ายอมอยู่ในบ้านแล้วมีรั้วรอบขอบชิดแล้วมียามเฝ้าอยู่ย่อมจะสบายใจไหมบ้านหลังนั้นเนสบายใจไหมล่มะเจ้าของบ้านจะสบายใจมากดีใจเหลือเกินโ่าเอโ อ, โอโจรขโมยไม่มาพ้นแล้วนี่เหมือนกันคนที่ปิดทวารคําว่าปิดทวารตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ใช่ไปนั่งหลับตานะไม่ใช่นั่งหลับตาไม่ทั้งนั้นคนตาบอดก็โอุสบายเลยใช่ไหมไม่ใช่ เอามืออุดหูนั่นคนหูหนวกก็บาปไม่เกิดสิแต่เขาใช้สติเนี่ยเป็นยามใช้สติเนี่ยเป็นนายทวารคอยเฝ้าคอยระมัดระวังคอยจัดการคอยป้องกันเป็นตัวป้องกันบาปเลยนะเช่นมองอะไรก็มองด้วยการศึกษาไม่ให้บาปเกิดไม่ให้เสพติดจากการมองเนะฟังก็ไม่ได้ฟังด้วยการเสพติดชอบหรือไม่ชอบดมเป็นต้น กลิ่นอาหารเป็นต้นเหล่านี้ยก็แปลว่าสติกับปัญญาทั้งหลายก็ไปทํากิจแล้วโดยเฉพาะขับเนี้ยที่ตัวกําลังของสตินี่เขาเรียกว่าอภพยาเศกสุขสุขที่เกิดขึ้นจากการปิดบาบได้ในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาสมมติถ้านั่งหลับตาด้วยฟังธรรมะด้วยตอนที่สะบังงกความง่วงมันเกิดขึ้นตอนนั้นมีอินทรีย์ทั้งวรไหมปล่อยอะไรเข้ามาปล่อยทีนะมีท้าความหดถูท้อถอยมันเข้าซะแล้ว ทำไมมันเข้ามาได้ยังไงสติไม่ทำหน้าที่ทำไมสติจึงไม่ทำหน้าที่สติมันหลับงงต้น <c oughs> เอาแล้วสมควรแก่เวลานะก็ขอให้เราตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติกันนะเนี่ยเราเดินไปไปทำกิจต่างๆไปกินอาหารไปใช้สิ่งของไปทำกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นเรื่องฝึกทุกเรื่องเลยนะ ไม่ใช่เฉพาะนั่งฟังธรรมไม่ใช่นั่งกรรมาฐานอย่างเดียวทุกเรื่องนั้นให้สํารวมกายสํารวมวาจาและสํารวมใจของตนเองให้เป็นใบกัคคุสนและมานาสิการใส่ใจตนเองตลอดเวลาว่าฉันจะฝึกฉันจะไม่ให้ความชอบและไม่ชอบไหลเข้าสู่ใจทุกเรื่องเป็นกระบวนการที่ฉันจะฝึกศึกษาและเรียนรู้ในการที่จะทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดและที่เกิดขึ้นนห้เจริญไปบุญยิ่งยิ่งไปเอาแล้ว